ชีวิตที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้กล่าวถึงกันมากไม่ว่าเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนไม่ว่าจะด้วยเพลงภาพยนตร์ละครและนิยายปรมปราคือเรื่องของความรักความรักเป็นสิ่งที่คู่มากับชีวิตแต่มันจะมีความลึกซึ้ง ดีมดังแค่ไหนมีโทษประโยชน์อย่างไรขอเชิญท่านฟังป า, ธธาทกถาธรรมเรื่องความรักสิบมิติซึ่งเป็นการแสดงโดยท่านพระโพธิรักษ์ ท่านพระพุทธิรักได้ตั้งคําถามเป็นประโยคแรกว่าความรักคืออะไรความรักคือความทุกข์ท่านได้ถามต่อไปอีกว่าทําไมถึงทุกข์เพราะความรักเป็นของปลอมเป็นของที่ไม่มีจริงเป็นความหลงเป็นความโง่หรืออวิชชาของผู้ที่หลงว่ามีจึง ต้องทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่จริงนั้นเราเรียกว่าความรักเอาละทีนี้เราก็มาตั้งใจฟังกันว่าถ้าเผื่ว่าความรักมันเป็นความทุกข์และถ้าเผื่อว่าเราจะยอมมีความรักหรือยอมมีความทุกข์เราก็ควรจะมีความทุกข์ที่เป็นประโยชน์มีความทุกข์ที่เป็นประโยชน์ แล้วก็ควรจะมีความทุกข์ที่เป็นประโยชน์มันทุกข์แต่มันเป็นประโยชน์เออมันก็ยังดีแต่มันทุกข์และมันไร้ค่าด้วยก็ควรจะฟังดูดีๆถ้าเรามีสิ่งนั้นคือมีสิ่งที่มันเป็นทุกข์และมันไร้ค่าด้วยก็จงเลิกมันเสียจงทิ้งมันเสียจงหยุดมันเสียอย่ามีเลย ความรักความรักมิติที่หนึ่งเรียกว่าความรักชั้นต่ำที่สุดไร้ค่าที่สุดจะเรียกว่าเลวก็ได้ความรักชั้นเลวที่สุดคือความรักระหว่างเพศผู้หญิงผู้ชายตั้งหลักดีๆนะะความรักระหว่างเพศนี่เป็นความรักชั้นเลวที่สุด อันดับที่หนึ่งทำไมถึงบอกว่าเลวทำไมถึงบอกว่ามันไร้ค่าที่สุดที่ว่ามันไร้ค่าที่สุดก็เพราะว่ามันขาดทุนที่สุดใครมีความรักแบบนี้ขาดทุนมากที่สุดมันจึงไร้ค่าจริงๆไม่กําไรขาดทุนแต่นึกว่าฟังดูดีนะแต่นึกว่าตัวเองได้แฮะคนที่มีความรักแบบนี้ หรือว่าตัวเองได้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแหละพระพุทธเจ้าทะเกว่าอลิกะแปลว่าความต่อแหลอลิกะตัวนี้เข้ามาต่อหางคำว่าสุขเข้าเรียกว่าสุขขันลิกะเติมเข้าไปให้เต็ม ยดของคําว่าความรักที่มาสุดท้ายแล้วเขก็จะมาได้เรื่องกามารมณก็คือกามสุขคันลิกะเรียกว่าความใคร่ที่เป็นหลงว่าเป็นสุขแต่มันก็ต่อแหลสบัดชอบอากามบวกสุขบวกอริกะแต่ว่าต่อแหลหรือหลอกลวงหรือไม่จริงอริกะตัวนี้ แต่เราก็เป็นหลงเพราะอาวิชชาเพราะความไม่เข้าใจจึงไปหลงมันว่าเป็นของมีจริงเป็นของมีค่าแต่แท้จริงขาดทุนเหลือเกินถ้าใครเกิดความรักด้านเรื่องของการมรรมหรือเมทุนธรรมอาตมาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทาไมมันขาดทุน เมื่อขาดทุนพอเริ่มมีระหว่างผู้หญิงผู้ชายเกิดเริ่มมีอารมณ์หรือความรักอย่างนี้เกิดขึ้นพัดผู้หญิงก็เริ่มลงทุนแล้วเริ่มลงทุนละจ่ายพลังงานปัญญาออกไปเดวไปดูว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้เขาจะชอบเสื้อสีไหนจะชอบน้ํำหอมแบบไหนพยายามจ ะ, จะให้รู้เพราะเราจะต้องการให้มันสมฤทธิ์ผลว่าจะต้องรักกันให้ได้ ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามแต่ผู้หญิงนี่เอาซะ ก, ก่อนด้านแต่งตัวหลอกไว้ก่อนจะแต่งให้สมใจลงทุนทีเดียวตั้งแต่ว่าเขาลงทุนตั้งแต่ปัญญาอย่างว่าพยายามสอดส่องดูเขาจะชอบสีไหนเขาจะชอบแต่งยังไงเขาจะชอบท่าทางเดินยังไงอะไรทั้งนั้นแหละเสื้อผ้าหน้าแพ้จะพยายามทําให้ต้องใจต้องตาต้องอารมณ์ต้องกลิน่นต้องจมูกต้องลิ้นต้องกายอะไรก็ไม่รู้ละ่ะ ลงทุนไปให้สะบัดเลยะจะเสื้อแพงของแพงอะไรแพงก็ไม่รู้ที่นี้จ่ายไปหมดวัตถุเงินทองจ่ายด้วยฟังดูดีนะแ ม, มนการลงทุนนี้มันวิเคราะห์ออกไปจ ะ, จะเห็นชัดลงทุนใหญ่ผู้ชายก็เหมือนกันะจะต้องจับจ่ายต่างๆนานาอดอกไม้จ่า อะไรก็ไม่รู้ละ่ะอะไรที่จะซื้อมากำนันกันต่างๆนาน า, นาหรือแม้แต่แต่งตัวก็ด้วยผู้ชายเดี๋ยวนี้ยิ่งแต่งตัวอาตมาจนต้องหลบๆทุกทีเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเห็นข้างหลังแล้วต้องหลบทุกทีเหมือนกันหมดถ้าหลงนุ่งกับปลงก็พบพอย่างชั่วนี่ดีอยู่นิดเดียวผู้ชายไม่นุ่งกับปลงถ้านุ่งกับปลงแล้วอาตมาคงจะลําบากใจยิ่งกว่า น, นี้ถ้าเผื่อว่าออกไปในสังคมพอดีไปเดิน ไม่รู้บางทีขึ้นรถเมย์นไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเดินเห็นข้างหลังแล้วก็มันเหมือนกันหมดจะนุ่งกุงเกงมอสกุงเกงอะไรที่พวกนี้แล้วมันคล้ายบางทีก็ผู้หญิงก็นุ่งเด็บซะด้วยเลยไม่รู้ว่าจะเป็นนักรบหรือจะเป็นผู้เฝ้าบานไม่รู้เหมือนกันไอ้ผมเนะี่ยไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะผู้ชายหมดสปิริตซะแล้ว การไว้ผมยาวนั้นเป็นเรื่องสัปริตของผู้ชายที่ต่อให้ผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่สวยโดยธรรมชาติเพราะสัตว์เพศผู้ต้องสวยกว่าสัตว์เพศเมียและผู้ชายก็เลยต่อให้ผู้หญิงมาเออเอาไว้ผมยาวไปให้เหมือนชิงโตกบผู้งามๆหน่อผู้ชายตัดผมสั้นเสกได้นี่เป็นสัปริตของผู้ชายมีมาแต่ดั้งเดิมเป็นสัปริตของเพศผู้ที่มีสัปริตจริงๆต่อให้ผู้หญิง เพราะเขาไม่งามน่ะเพราผู้หญิงจึงแก้ผมได้ตนด้วยการไว้ผมยาวทาตรงโน้นเขียนตรงนี้โป่งตรงโน้นแซบบตรงนี้ทําให้มันมีอะไระอะไรเข้าไปในตัวเพราะายังสัตว์เพศผู้นี่เขางามเขามีกล้ามเนื้อเยอะดูชิงโตตัวผู้ก็ได้หรือไก่หรืออะไรก็ได้สัตว์เพศไหนก็ตามแต่สีสันเยอะกล้ามเนื้อเยอะอะขน จะวยดำขับหรือสีแล้วแต่ถ้าขนบางสัตว์บางชนิดก็มีสีหลากสีนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเรือธรรมดามาแต่ไหนเพราะงั้นผู้หญิงก็ต้องแกะผมดอยเอาทั้งเขียนทั้งทาทั้งพอกทั้งอะไรป่ากันไปนะเยอะแย ะ, ยะผู้ชานะั่นแต่ดั้งเดิมต่อให้ผู้หญิงแล้วโดยจิตวิริยบอกว่าเอาอนุโลมตกลงเราไม่ข่มหมูไปมากหรอกนวดเข่าก็โกนเสียทำให้โกนมันก็ยิ่งเพิ่มความสงา่าเยอะ เพราะฉะันหวดเขาก็โกนผมเ้าก็ตัดสั้นเสียต่อให้ผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้แหมผู้ชายก็แย่สตรีท้ายหมดไว้ผมเหมือนผู้หญิงทาและแถมไปแย่งเอาการแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเข้ามาด้วยเลยไม่รู้จะทำยังไงกันผู้ชายอาตมาเองก็ถ้าเผื่ว่าจะเป็นขหน้าก็ขายหน้าแทนเหมือนกันในความเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายลดสตรีทเสรแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง นี่นอกเลืองไป น, นิดหนึ่งแถมเพื่อเป็นประโยชน์อาที น, นี้ก็ต่อความรักชนิดที่เรียกว่าความรักสําหรับเมทุนเนี่ยหรือว่าเพศผู้เออเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไร้ค่าเพราะมันต้องลงทุนมากมายนอกจากเสียวัตถุเสียกําลังปัญญาแล้วต้องเสียแรงกายเสียแรงกายต้องเที่ยวไล่เที่ยวคืออะไรนี่โอ้อ่า อะไรก็ไม่ว่าสิ่งที่อาตมาอยากจะเน้นกับพวกคุณทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็คือคนเราเนี่ยขาดทุนเวลาเพราะทุกคนได้เวลาวันละยิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครได้เกินมากกว่ากันเลยพระเจ้าไม่ยอมไม่ยอมหรอกให้คันละยิบสี่ชั่วโมงเท่ากันทุกคนแต่คนที่ กระมาดหรือว่าไม่นึกถึงเวลาก็ผ่านเวลาอย่างไรค่าเสียเวลาบางทีไปนั่งเป้ากันก็เอาวันแล้ววันเล่าแทนที่จะได้ประโยชน์อะไรไม่มีเลยบางทีก็นั่งมาลันดูแกมาแลดูกันเฉยๆก็เอาอจ่ายเวลาไปโดยแทนที่จะเป็นประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายมากจ่ายจ่ายมาก จ่ายพลังปัญญาจ่ายพลังกายจ่ายวัตถุสรัตย์และยังจ่ายเวลาด้วยจะจ่ายเวลาด้วยเสร็จแล้วเพื่อต้องการอะไรสิ่งที่จอมปลอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสุขาลิกะหรือที่เรียกว่าความสุขอันตอแหลนั่นเองแลว้วตอนนี้ก็แหม สบายนักสุกนักอร่อยนักมันนักไหนแต่ปี๊บให้อัตมาดูหน่อยที่มันอยู่ไหนไอ้สุกที่ว่าอยู่ไหนอ่ลงทุนเหลือเกินอ่ะลงทุนทั้งวัตถุลงทุนทั้งแรงกายทั้งแรงปัญญาลงทุนทั้งเวลาองไปนะ่ะอยู่ไหนแต่ปี๊บมาดูสิสุกเหลือเกินอ่ะไม่มีไม่มีมมนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการลงทุนที่หวังผลอย่างเดียวสุ ข, ขันลิกับว่ามันสุกรอยลมอยู่ฝ้าฝ้าไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรก่านนั้นแลบแถมเผาผานอย่างที่ว่านั้นไปยังไม่พอยังไม่พออาตมาขออธิบายลึกๆหน่อยตอนนี้จงพยายามตัดว่าถ้าคุณเคยยึดถือว่าพระไม่น่าพูดอย่างนี้ก็ขอให อย่ายึดถืออันนี้ไว้เราฟังดูสัจจะนี่เราคือสัจจะจะใช้กับชีวิตได้ไม่ใช่พูดทำรร ม, มาแล้วก็คุณเอาใช้กับชีวิตไม่ได้ฟังแล้วก็ลอยลมเหินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คุณฟังแล้วคุณจะเอาไปแก้ไขชีวิตเอาไปะละนายคลายหรือว่าเลิกสิ่งที่ควรเลิกได้ทําในสิ่งที่ควรทําได้เอาต่อจากที่ว่านอกจากจับจ่าย สิ่งที่ว่าแน่ไปแล้วเมื่อรักสมใจได้แต่งงานกันเมื่อได้แต่งงานกันแล้วก็ยังจ่ายอีกนั่นแหละขาดทุนอีกนั่นแหละตอนนี้จ่ายพลังงานไปบานเลยสปาร์กทิ้งชัาบหมดพลังงานไปกินข้าวอย่างดีมากินอาหารอย่างดีมามุกไม่รู้แคลอรี่ไปทั้งเท่าไคิดดูดีด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพอถึงคลายแมต์ทีนี้จ่ายมัรู้เท่าไหร่ขาดทุนนะไม่ใช่กำไรนะอุตสาทำงานทำการซื้อข้าวซื้อโปรโตีนคา ร, ร์โบไฮเดรตวิตามิน A, อ C, D อะไรใส่เข้าไปมาจ่ายไอเนี้ยกลั่นกรองไว้ยอย่างดีจ่ายปักสมหมดแหละเยอะแยะเสี ย, ยอีกแล้ว เสียอีกแล้วจ่ายอีกแล้วขาดทุนอีกแล้วแล้วก็จะขาดทุนอย่างนี้แหละยังไม่จบจะขาดทุนต่ออีกสุดท้ายก็จะมีลูกมีลูกหนึ่งคนจนไปยี่บอปีเมาาื่อวานนี้อาตมาได้สถิติไม่รู้ใครพูดพอกว่าวิลูกหนึ่งคนจนไปยีิบสองปีพอแต่ลูกมาอีกทีนี้ขาดทุนอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่ กว่าจะเลี้ยงโตกว่าจะจับจ่ายใช้สอยกว่าจะเป็นทาสลูกคนนี้ถ้ายิ่งมีมากๆามีลูกมากยิ่งอยากจนเดี๋ยวนี้โฆษณากันมีลูกที่ยิ่งหนี่หลายเขาโฆษณากันและก็จริงาศาสนาพุทธนี้คุมกำเนิดมานานนักเพราะพระพุทธเจ้ารู้ ว่าการเกิดนั้นก่อทุกข์และยิ่งการเกิดคนนี่แหละยิ่งก่อทุกข์พระพุทธเจ้ารู้สัดจักศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากอาตมาจึงพูดตามกาละว่าใครไม่มีลูกคนนั้นประเสริฐที่สุดและใครไม่แต่งงานยิ่งประเสริฐยิ่งกว่าและอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดด้วยพระพุทธเจ้ากลับไปก่อนแล้วท่านตรัสไปว่าผู้ที่ไม่มีลูกนั้นเป็นผู้มีบุญ เพราะฉะนั้นป่วยการกล่าวถึงผู้ที่เป็นโสตินี่ฉักจัดไวไ้่างนี้นี่จะเห็นได้ว่าการขาดทุนในความรักชั้นต่ําที่สุดนี่มิติที่หนึ่งเนี่ยว่าขาดทุนขนาดไหนมีแต่จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่า ย, า ย, ายไปแล้วสิ่งที่จะได้มาเราคิกว่าอันเดียวนั่นแหละคือสุขอันต่อแหล่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ไม่มีอื่นเลยและมันก็ก่อทุกนักนาก่อทุกนักนาที่มันเลวที่สุดความรักระหว่างเพศนี่ก็คือว่ามันเห็นแก่ตัวที่สุดเห็นแก่ตัวที่สุดไม่มีอื่นเลยจะได้สมใจระหว่างสองคนนั้นจะปั้นอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสุขหรืออารมณ์ร่วมอันเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นเลยจะได้ให้มาสิ่งนี้ใครมาแย่งไปไม่ได้ฆ่ากันแกงกัน ถ้าใครถึงจัดจัดหน่อยก็ใครมาแบ่งเป็นิดหนึ่งเอาแล้วยิงกันฆ่ากันตายแล้วเห็นแก่ตัวจัดที่สุดก็ขอบอกสูตรสําหรับมนุษย์ไว้สักนิดหนึ่งก่อนว่ามนุษย์ประเสริฐที่สุดหรือดีที่สุดนั้นวัดกันด้วยความไม่เห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่ตัวถ้าผู้ใดเห็นแก่ตัว ผู้นั้นเลวที่สุดผู้ใดละความเห็นแก่ตัวได้หมดความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งหมดตัวหมดตนได้สิ้นสุดเด็ดขาดเท่าใดผู้นั้นแหละประเสริฐสุดไปผู้ที่เสียสละมากที่สุดได้เท่าใดไม่เห็นแก่ตัวได้เท่าใดประเสริฐที่สุดนี่เป็นสูตรสูตรความวัดมนุษย์เพราะฉะนั้นความรักระหว่างเพศ จึงเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวแคบที่สุดระหว่างบุคคลสองคนต้องการอารมณ์ร่วมอย่างเดียวที่เรียกว่าสุขภลิกะเท่านั้นและเท่านั้นไม่แจกจ่ายไปให้ใครอื่นเลยไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะได้รับสิ่งสัมผัสอันนี้จากสองคนนี้เลยเห็นแก่ตัวมากที่สุดจึงได้กล่าวว่าเป็นความรักชนิดที่ค่าน้อยที่สุดหรือ ค่าต่าที่สุดไร้ค่าที่สุดฟังดูดีๆนะอย่าเพิ่งเชื่ออาตมานะอาตมาอาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้อาตมาอาจจะพูดอะไรที่เรียกว่าพวกคุณนี่ว่าเอยังไงกันนี่จะมาล้มล้างอะไรกันขอล้มด้วยบอกตรงๆขอล้มล้างด้วยเพราะอะไรเพราะอาตมาเห็นใจโลกโลกทุกวันนี้พลโลกจะล้นโลกอยู่แล้ว คุณกำเนิดกันทั่วทั้งโลกทุกประเทศเดยนนี้กำลังหามาตราการคุณกาเนิดกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งบางประเทศเลวที่สุดก็ยังทำขนาดให้ทำแท้งประยอมกันแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคนละโลกมันจะล้นโลกเป็นความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องสกัดกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความรักระหว่างเพศและไม่แต่งงานไม่สมสู่ผู้นั้นได้ช่วยโลกแล้ว ได้ช่วยโลกแล้วอย่างแท้จริงเป็นความดีฟางรู้สัจจะเสียด้วยว่าถ้าจะแต่งงานนั้นหรือว่าถ้าจะมีความรักนั้นหรือแม้ที่สุดมีความใคร่นั้นมันเป็นความหลอกเป็นอวิชชาเป็นความกําหนักรพระพระุทธเจ้าได้วางสูตรมาแล้วจะขอให้คุมกําเนิดกันโดยคุมกําหนัก ท่านไม่ได้คุมกำเนิดกันอย่างคนสมัยนี้ซึ่งเผลิๆหรือตื่นเผลอเต็มทคนคุมกำเนิดกันสมัยนี้พระพุทเจ้าคุมกำเนิดถึงถึงรากเงาและก็สบายปลอดโปร่งทุกอย่างดีไม่มีอะไรที่จะเกิดการประสาทเสียไอ้นวลทำลายไอ้นี่เป็นอย่างง้นอย่างนี้ไม่มีเพราะท่านคุมกาเนิดโดยการคุมกำหนัดและประพฤติเข้าจริง ให้ได้ลดลงมีสติสัพชัญญาสัผัดทางตาทางหูอย่าไปหลงเพานี่สวยงามหน้าเจีะ๊ะเสียงเพราะหน้าเจีอย่ากิ่นหอมหน้าชื่นหน้าชมอะไรไม่มีไม่จริงทั้งนั้นพยายามพิจารณาวิเคราะห์ตามให้จริงแล้วเราจะเห็นเราจะทำได้ลดลง ถ้าสัมผังตาแลว้วบอกว่าจะรักหรือจะชอบหรือจะหลงขึ้นมาระงับจิตระงับจิตยาสิ่งนี้ต้องเข้าใจให้ได้ว่าเป็นของหลอกเป็นสิ่งที่จะเร่งเราให้เราเกิดอารมณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าของปลอมของที่มันไม่จริงเป็นของหลอกลวงหรือของตอแหลไม่จริงหลอกพยายามทำเข้าพยายามทำเข้านะประสบด้วยตาประสบด้วยหูนี่แหละทวารที่เห็นชัดหรือว่าเกิดก่อน ทวารอื่นก็ยังหรอกทวารกลิ่นทวารลิ้นทวารกายอะไรก็ยังหรอกทวารที่ตาหูนี่ละก่อนเพื่อนพยายามระมัดระวังลดลงทุกเวลาและคุณจะได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ช่วยโลกเพราะคุมกาเนิดด้วยวิธีคุมกาหนักแล้วจะเป็นผู้อิสระไม่มีห่วงเป็นผู้อิสระไม่มีห่วงไม่มีกังวล อิสระจริงๆจะทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายอันนี้เป็นมิติที่หนึ่งเป็นความรักชั้นต่ำสุดหรือเลวสุดไร้ค่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจะทุกความรักคือความทุกข์ดังกล่าวแล้วถ้าผู้ใดจะทุกโดยวิธีนี้ก็ขอกรองอยาเลยเลิกทส้ง ศา ส, สนาพุทธชวนให้เลิกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมขึ้นมิติที่สองความรักมิติที่สองเป็นความรักที่ออกมาอีกนิดหนึ่งหมายความว่าแทนที่จะเห็นแก่ตัวอยู่ระหว่างอารมณ์ร่วม ร, วมระหว่างคนสองคนแผ่ออกมาอีกนิดหนึ่งให้แก่บุรุษที่สาม แต่ก็แคบเล็กจิวเหลือเกินบุรุษที่3ามคนนั้นก็คือลูกเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นความรักแคบที่สุดเห็นแก่ตัวอยู่ในวงแคบมากจึงเป็นความรักที่ยังมีดีอยู่บ้างนิดหนึ่งโตคือว่าขยายปริมาณความเผื่อแผ่ออกมาโตนิดหนึ่ง แต่ก็ยังแคบเหลือเกินความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ใดก็จะหาเงินหาทองหาเขา่าหาของอะไรใดมาก็จะเอามาไว้สำหรับให้แก่ลูกให้แก่พ่อให้แก่แม่ให้แก่ระหว่างแวดวงแค่นี้แหละสั้นๆแคบๆเล็กๆแค่นี้เป็นความรักที่อยู่แค่นี้เองจึงเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่อย่างจักชัดเจนมีความรักม่ดิที่สอง แต่ความรักของพ่อและแม่นี้จะมีมุมดีอยู่บ้างก็ขออธิบายสภาวะที่ดีของพ่อแม่ที่จะมีต่อลูกที่ให้ความรักแก่ลูกความรักชนิดนั้นท่านเรียกว่าความรักอย่างปิตโรปิตโรภาษาบาลีเรียกว่าอย่างนั้นความรักอย่างปิตโรนั้นก็คือความรักอย่างพรม พรหม่ท่านแบ่งออกเป็นทันห้าอย่างปิตชิชนะพรหมอะไรต่างๆอตาตมาจะไม่พูดและจะจาวความจนกระทั่งอย่างสุดท้ายท่านเรียกว่าความรักของพรหมในแบบปิตโรความรักปิตโรนั้นคือความรักรหว่างพ่อแม่ให้แกลูกให้ถ้าโดยหวังสิ่งตอบแทนพ่อแม่นั้นก็ยังเลวอยู่ ถ้าให้แกลูกแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนจากลูกยังไม่เรียกว่าเป็นปิตโรหรือเป็นพรหมถ้าจะให้แกลูกโดยอย่างเป็นพรหมหรือเป็นปิตโรแล้วจะต้องให้อย่างที่ไม่หวังอะไรตอบแทนให้อย่างพรมวิหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เรียกว่าให้ความรักอย่างไม่ต้องการตอบแทน เมตตาและก็ทำเมตตาหมายความว่าเกือกูลช่วยเหลือจิตใจอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยจริงๆเรียกว่าการุณากระทำทันทีกรุณาลงมือกระทำส่วนตัวเมตตานีคือของจิตจิตมันอยากจะช่วยเหลือเรียกว่าเมตตาเมื่ออยากจะช่วยเหลือแล้วก็กระทำจริงๆเรียกว่าการุณาเมื่อกระทาแล้วช่วยเหลือได้สาเร็จก็มุทิตาินดีด้วย เมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วพ้นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือเป็นภัยอะไรก็ตามและก็สุดท้ายก็วางใจเป็นเฉยในอุเบกขานี่เราว่าพรหมวิหารสี่ถ้าพ่อแม่ผู้ใดมีพรหมวิหารสี่อย่างนี้จ่ายความรักให้แก่ลูกอย่างพรหมวิหารสี่ก็ยังมีค่าอยู่บ้างยังมีค่าอยู่บ้าง เพราะเป็นตัวอย่างอันดีเหมือนกันแต่ก็แคบเหลือเกินความรักนี้ไม่แผ่ออกไปสู่คนอื่นเลยยังเห็นแก่แวดวงที่เล็กจิ๋วและเกินแค่ลูกของตัวลูกเมื่อพ่อแม่เคารักอย่างนั้นก็ต้องตอบแทนด้วยลูกที่ดีพ่อแม่ยิ่งไม่ต้องการชิงตอบแทนลูกยิ่งต้องตอบแทน จึงจะถูกต้องอันนี้เป็นสภาพตีกลับยิ่งพ่อแม่ไม่ต้องการทิ้งตอบแท น, น่นแ ย, ยิ่งคือคูนงานความดียิ่งต้องตอบแทนท่านอย่างยิ่งถ้าลูกไม่ตอบแทนก็ต้องเลวแน่เพราะว่าการได้เกิดมานั้นเพราะพ่อแม่อวิชชาเผลไป ไม่รู้จึงทําให้เราเกิดมาได้การได้เกิดมาจึงยากถ้าคนเกิดมีวิชาจะทั้งหมด mm. ก็ไม่มีใครที่จะทําให้เราเกิดได้ mm. แต่พ่อแม่เนี่เผลอไปแล้วท่านก็จะมีทุกข์ด้วย mm. ท่าน mm. อุตส่าห์เสียสละมีทุกข์นะจึงทําให้เราเกิดมาได้แล้วเราก็ได้เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่จึงถือว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งที่ท่านยอมทุกข์และท่านเผลอไปเราจึงได้เกิดมา จึงถือเอาเริ่หรือถือเอาอันนี้เป็นบุญคุณอย่างมหาศาลต้องตอบแทนพ่อแม่ให้ได้บางเออนะที่ยังมีพ่อแม่ที่ยังมีอวิชชาอยู่ถ้าพ่อแม่เป็นวิชามีวิชาทั้งหมดแล้วไม่มีใครทำให้เกิดไม่มีทางที่จะได้เกิดแล้วก็จะไม่ได้เกิดจริงๆด้วยจึงยากมากจึงต้องตอบแทนใครไม่ตอบแทนพ่อแม่ก็เลวอย่างนี้อันนี้ความรับชนิดที่สอง มิติที่สองที่แพ่ออกจากความรักอันเห็นแก่ตัวที่มีเพียงอารมณ์ร่วงนิดเดียวออกมาบ้างแล้วมิติที่สามที่เป็นความทุกข์เหมือนกันเป็นความรักความรักนะั้นไม่ต้องไม่ต้องไ ป, ปแปลเลยมีความรักเมื่อใดก็ยังมีทุกข์อยู่เมื่อ น, นั้นแหละแต่ถ้าเราจะทุกข์แล้วให้มีประโยชน์ขึ้นหมายถางว่าเป็นประโยชน์แก่พวงชนหรือแก่อะไรก็ตามแต่มีการเสียสละมีการให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้น มันจึงจะมีค่าขึ้นเพราะงั้นความรักในระบบที่สามจะมีค่าขึ้นไปอีกตอนนี้ก็เผื่อแผ่ออกจากแวดวงของพ่อแม่ลูกออกไปสู่ญาติมีความรักยากเผื่อแผ่ออกไปทํามาหากินได้มีลาบมียศมีข้ามีของมีความรักกัะเกื้อกูลกันช่วยเหลือด้วยแรงวัตถุช่วยเหลือด้วยแรงกายช่วยเหลือด้วยแรงปัญญามากขึ้นกว้างขวางขึ้น เป็นความรักต้องการให้ช่วยเหลือมากขึ้นความรักนี้ก็มีราคาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะลองฟังให้ดีนะว่าถ้าที่ต่ำที่สุดว่ามีค่าน้อยที่สุดนะั่นคือเลวที่สุดนั่นคือมีดีน้อยที่สุดนั่นเองพอดูดีๆนะถ้าเผื่อว่ามีค่าในการเผื่อแผ่เสียสละและให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นกับหมายความว่า ดีมีมากขึ้นความเร็วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับเพราะงั้นมิติที่สามนี่ก็น้อยลงไปแล้วความเร็วและก็มีความดีคือมีการเจสละแลักที่อาตมาตั้งสูตรไว้แล้วก็คือความไม่เห็นแก่ตัวเผื่อแผ่ออกแล้วกว้างขวางขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ก็ชักจะเป็นความรักที่มีประโยชน์มากขึ้นแต่ทุกเพิ่มขึ้นนะถ้าเรารักกันสองคน คอยช่วยเหลือกันมีอะไรก็มีดีมาซัพพลายหรือมีจะซัพพอร์ตกันอะไรกันก็ตามแต่มันก็มีอยู่ระหว่างสองคนมันก็ไม่มากไปเปลืองสามคนก็เปลืองขึ้นสี่คนเปลืองขึ้นที่เป็นลูกยิ่งไปคอยช่วยเหลือเผื่อแผ่เกื้อกูลคนมากขึ้นที่เป็นยากคุณก็จะเงินงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะคุณต้องงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะคุณต้องลงทุนลงแรงแต่การลงทุนลงแรงของคุณไม่เปล่าตอนนี้กลายมีค่า กายเป็นมีค่าแล้วเพราะลงทุนลงแรงแล้วแม้จะล ง, ลงทุนลงแรงได้วัตถุมาคุณก็ยังแจกวัตถุให้แก่ญาติบ้างก็แสดงว่าเรามีความรักหรือมีความเกื้อกูลให้แก่ญาติบ้างมีแรงกายช่วยแรงกายแก่ญาติบ้างมีแรงปัญญาช่วยกันบ้างก็เรียกว่าเผื่อแผ่แรงงานนี้ออกไปให้แก่ญาติจึงถือว่ามีประโยชน์ต่อโลกหรือต่อผู้อื่น ความเห็นแก่ตัวลดลงแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นฟังดูดีๆนะฟังดูดีๆแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันต้องช่วยเหลือคนเพิ่มขึ้นมันเป็นการแสดงสมรรถภาพมากขึ้นเพราะว่าเราเกื้อกูลคนได้มากอาณาบริเวณนานาเขตของการที่จะ จ่ายความรักออกไปให้หรือความเมตตาหรือความเกื้อกูลออกไปให้นี่กว้างขึ้นกว้างขึ้นต้องมีผลผลิตต้องมีแรงงานมากจึงถือว่ามีค่าขึ้นแต่ทุกหนักขึ้นวิติที่สามในระหว่างญาติวิติที่สี่ตอนนี้ตัดขอบเขตแล้วระหว่างเชื้อเชื้อแห่งคนญาตินี่เรายังถือว่าเป็นตระกูลเป็นเชื้อแห่งคนตระกูลไหนอะไรก็เป็นเชื้อแห่งคนถือว่าญาติทีนี้มิติที่สี่นี่ตัดกรอบ ตัดรอบไปอีกรอบหนึ่งไม่เห็นแก่หรือว่าไม่จ่ายความรักอยู่ระหว่างแต่แคบหัวเมียโตขึ้นไปไม่ใช่ว่าแก่แค่ลูกไม่ใช่ว่าแค่ญาติแต่กว้างขึ้นไปอีกเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ได้เป็นเพื่อนบ้านชาวละแวกเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันอะไรก็ตามซึ่งมีขอบเขตกว้างขึ้นกว้างขึ้น มีความรักเกื้อกูลเกื้อเฟือ้อช่วยเหลือจ่ายแรงวัตถุจ่ายแรงงานทางกายทางปัญญาให้แก่เขาได้มากขึ้นเราก็เป็นผู้ที่จะต้องลงทุนมากขึ้นเพราะว่าผู้ที่จะคอยรับความช่วยเหลือมากขึ้นเราก็จะทําตนให้มีมสมรรถภาพมีประสิทธิมากขึ้น จึงจะสามารถหาวัตถุหรือทรัพย์สมบัติได้มากและก็จะได้เอาทรัพย์สมบัตินี้ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลผมนี่ได้มากหรือเมื่อไม่เอาวัตถุ ก, ก็แจกจ่ายแรงกายที่มีช่วยทางแรงกายด้านใดก็ตามหรือถ้าไม่ช่วยแรงกายก็ใช้ทางแรงปัญญาใช้ทางปัญญาช่วยเหลือเขาก็มีผลดีขึ้น เกือกูลมากขึ้นมีประโยชน์แก่โลกมากขึ้นฟังดูอีกทีแต่ทุกข์หนักลงไปกว่าเก่าเพราะคนนี้ต้องยอมทุกขเพราะมีความรักใหญ่ขึ้นความรักมันแผ่กระจายไปกว้างมากขึ้นนี่ความรักพูกกระดูกตรงก็คือมันก้อนโตขึ้นมันไปช่วยคนมากขึ้นความทุกข์จึงโตขึ้นด้วยเป็นปฏิภาคตรงไม่ใช่ปฏิภาคกลับ ทุกเพิ่มขึ้นคนที่ยอมทุกแต่เพื่อแพรผลประโยชน์ทั้งวัตถุทั้งแรงกายและแรงปัญญาให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย<ม>ก็ยังนับว่าดีในโลกนับว่ามีค่าในโลก<ม>คิดได้เห็นนะเราคิดได้เห็น<ม>นี่เป็นมิติที่ส<ม>ี่ไอ้ไตรลักษณ์หมูหนึ่งนี่อยู่ในวงแคบพอเริ่มเริ่ม มิติที่สี่นี้ออกนอกใจรักหมู่ที่ตระกูลแวดวงของตัวเองแล้วออกมาให้แก่ผู้อื่นแล้วเป็นชาวบ้านชาวเพื่อนฝูงในสังคมใกล้ชิดในตำบลในอำเภอในหมู่บ้านหรือในจังหวัดก็ตามยังไม่กว้างขวางนักเพื่อแพ่ไปแค่วงยังไม่เป็นผู้อื่นแต่ยังไม่กว้างขวางนักนี่มิติที่สี่มิติที่ห้าความรักขยายขึ้นอีก มีประโยชน์ขึ้นอีกทุกหนักลงไปอีกฟังดูดีๆหนักลงไปอีกเพราะเราจะต้องแบกภาระมากขึ้นเพราะเผื่อแผ่มากขึ้นถ้าใครทำได้ก็น่าสรรเสริญตอนนี้มีความรักแผ่ไปเต็มชาติเลยประเทศทั้งประเทศชาติทั้งชาติรักเชื้อชาติแล้วตอนนี้รักเชื้อชาตินะชาติของเรา เพราะงั้นอยู่ใต้ตเหนือออกตกในส่วนที่เป็นเขตภูมิเชื้อชาติของเราไม่ว่าเป็นที่เป็นน้องหรือไม่เป็นที่เป็นน้องแต่เป็นเชื้อชาตินับด้วยเชื้อชาติเราจะรักให้หมดเราจะช่วยเหลือให้หมดเราจะเกื้อกูลให้หมดแม้ความรักชักเก่งขึ้นแล้วนี่เป็นเป็นผู้ทีมกล้าแข็งจะทำได้ไหมล่ะทำได้เอาตกลง แต่คุณทุกข์เพิ่มขึ้นนะเพราะคุณจะไปแบกความรักไว้จะช่วยเหลือเขามากเหลือเกินแต่ดีนะดีนะขอสนับสนุนและควรทำให้ได้ด้วยถ้าคุณจะมีความรักถ้าคุณจะมีความรักเพราะฉะนั้นคุณจะทุกข์มากก็าตามทุกข์และมีประโยชน์อย่างนี้ไม่ว่ารักชาวประชาชาิช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยาก ใครเดือดร้อนช่วยเหลือชาวประชาชาิขึ้นอย่างนี้เป็นความรักมิตรที่ห้าดีดีดียิ่งขึ้นยากยิ่งขึ้นใครทําได้จริงตกลงเอาถ้าจะรักอย่างนี้อาตา ม, มาพอสมเคราะห์แต่ถ้ารักอย่างเพศขอร้องนะไม่มีซะได้เป็นดีถ้ารักอย่างแค่มีลูกก็อย่ากเลย ทะลักแค่ในวงแพ่ของลูกขยาเลยทาเลี่ยงจะได้แม้แค่แต่ยาติอันนี้ค่อยพูดตลกทีหลังเพราะว่าศาสนาพุทธสอนไว้แม้แต่ญาติปริวัติตังแม้แต่ลูกแม้แต่ความรักอย่างเพียีนี่มีบทสอนไว้ทั้งนั้นเป็นศีลเป็นขั้นตอนไม่ค่อยอธิบายตอนมิติที่ท้ายๆเพราะมิติเหล่าน่าจะตีกลับเป็นสภาพปฏิภาคกลับมา อ, อธิบายตรงนี้อีกทีอันนี้มิติที่หก ต่อจากมิติที่ห้าเป็นความรักที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกกว้างไกลและมีค่ามหาศาลทำได้ยากเพราะเป็นความรักที่ไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดผิวพันธุ์ไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดผิวพันธุ์ไม่จากัด ว่าผิวแดงผิวขาวไม่จำกัดว่าผิวดำผิวเหลืองไม่จำกัดทั้งนั้นชาติไหนเราก็จะช่วยหมด้าตกทุกข์ได้ยากคนผู้ใดทุกข์เราช่วยให้ได้รักให้หมดเกื่อกูลให้ได้คุณแบกทุกข์เข้าไปอีกเท่าไหร่ทุกโตขึ้นอีกเท่าไหร่โตขึ้นอีกมากมา ก, มากแต่เอาเถอะถ้าคุณจะมีความรักอย่างนี้ทุกอย่างนี้ก็อไม่ว่าเพราะมันดีนี่ มันเกื้อกูลมันมหาศาลมันกว้างไกลมันทำถ้าทําได้จงทําทําได้จงทําความรัไม่ติที่หกเนี่ยไม่มีแล้วขอบเขตเห็นแก่ประเทศของเราประเทศโน้นไม่เห็นไม่เห็นแก่ไม่ใช่แล้วตอนนี้เห็นแก่ทุกประเทศขอให้เป็นประชาชนขอให้เป็นคนขอให้เป็นสัตว์เมืองด้วยกันเถอะเราจะรักทุกสัตว์เมืองทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติไม่มีขีดขั้นผิวพันธ์เลยทั้งมวลกว้างขวางขึ้นแล้วยากขึ้นจึงมีค่ามากขึ้นนี่เป็นมิติที่หกมิติที่หกนี่มีไตรลักษณ์สองรอบแล้วฟังดยนี้อาตมากำลังจำกัดลงไปด้วยว่าไตรลักษณ์หมู่หนึ่งแค่ตระกูลไตรลักษณ์หมู่ที่สองนี้มวลมวลชนแล้ว ตัดเมืองได้กันแล้วคนละแต่ไม่จำกัดผิวพันธุ์เชื้อชาติถึงมิติที่หกแล้วมิติที่เจ็ดเป็นนามธรรมาแล้วมิติที่เจ็ดเป็นนามธรรมาปีนรอบออกไปอีกแล้วคือความรักอย่างพระเจ้ามิติที่เจ็ดเป็นความรักอย่างพระเจ้า รักสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งรักทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยความรักของพระเจ้าถ้าใครถือนับถือศาสนาทางพระเจ้าก็จะเข้าใจพระเจ้าไม่ละเว้นพระเจ้ารักทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลชนทั้งสรรพสิ่งรักหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแบกทุกไว้มากที่สุดพระเจ้าจึงแบกทุกไวมากที่สุด เพราะแน่นอนที่สุดผู้ใดมีรักผู้นั่นมีทุกข์ผู้ใดมีรักไม่ลกเวทมีทุกข์แม้เป็นนามธรรมก็ตามแม้เป็นนามธรรมก็ตามเพราะฉะนั้นพระเจ้าหรือความรักอย่างนี้มีค่ามีค่ามหาศาลถ้าใครมีจิตเหมือนอย่างพระเจ้าได้รักมวลชนทุกคนใครทุก ช่วยเหลือเฟือฟายทั้งหมดพยายามที่จะช่วยปลดทุกข์ไถ่บาปไถ่ทุกแก่ทุกๆคนให้ได้แม้ที่สุดตัวเองยอมตายก็เอาถูกตรึงกลางเขน พ, พระเยซูจึงต้องเอาอย่างศาสนาพระเยซูศาสนาพิธอย่างศาสนาโซโรเอสเตอร์พระโซโรเอสเตอร์ถูก ลงประชาทันถูกฆ่าตายทุกปตีตายก็ยอมอย่างศาสน า, าบ๊อบพระบ๊อบก็ถูกฆ่าตายพระบ๊อบนี่เกิดก่อนศาสนาบาไฮศาสนาพระเจ้าทางพระเจ้าของเขานี่คือศาสนาที่มีนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเป็นศาสนาที่มีอัตตาอาต่อจากศาสนาอาต่อจากไม่ติด ต, ต่อไปนี้ อาตมาก็ขอร้องผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าว่าอย่าเข้าใจอาตมาผิดว่าอาตมายกตนของท่านเพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นศาสนาแห่งอนัตตาจะามิติที่แปดต่อไปศาสนาที่มีมิติที่เจ็ดที่มีพระเจ้าเป็นอัตตาเป็นปรมาจตามันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งมีค่ามีอำนาจมีอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ยังเป็นอัตตาอยู่อยู่ในมิติที่เจ็ด ต่อไปนี้เป็นมิติที่แปดที่เก้าที่สิบก็กรุณาอยากคิดว่าอาตมาเอาศาสนาที่มีมิติแปดเก้าสิบนี้มาข่มศาสนาที่มีพระเจ้านะขอให้ฟังโดยทำทางดีดีดีถ้าผู้ใดเสียสละอย่างพระเจ้าคนดีอศาสนาพระเจ้านี่เป็นอย่างนั้นอยึดถืออย่างนั้นมีอํานาจพิเศษอะไรก็ตามที่คิดว่าท่านช่วยช่วยโลกช่วยมวลชนทุกอย่าง ตั้งแต่ศาสนาพิธีว่าศาสนาอิสลามพรโมฮัมมัดศาสนาโซโรเอสเตอร์ที่กล่าวไปแล้วศาสนายุติใจศาสนาซิกซึ่งมีครูนานักเป็นเจ้าศาสดาศาสนาบายที่มีพัะบาฮาอุลลาเป็น เจ้าศา ส, สดาก็ตายผู้ที่เป็นเจ้าศา ส, สดาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างนามมาทำไว้เสียสละตัวเองตายก็ยอมดังกล่าวแล้วอย่างพระบาฮาอุลลาเนี่ยติดคุกแล้วติดคุกเล่าเข้ามาเชิญไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เอาพยายามต่อสู้ทางด้านศาสนาเขียนคัมภีร์เขียนอะไรแต่ไรไว้ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้น เยสละเฉสละจริงๆคือว่าตัวเองตายไม่ว่าทุกข์ร้อนเท่าไหร่ไม่ว่าแบกทุกข์ไว้แย่พระาศาสนาที่ยังมีความรักยังไม่พ้นทุกข์ยิ่งมีพระเจ้ายิ่งแบกพระเจ้ามอาีอุดมคติที่เหมือนอย่างพระเจ้ายิ่งต้องต่อสู้เยสละมากเหลือเกิน ถ้าเผื่อว่าอย่างที่ไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วก็ยอมตายเลยอย่างที่กล่าวแล้วหรือแม้แต่ศาสนาที่ไม่มีตัวผู้ที่สร้างศาสนาคือหาศาสดาอย่างไม่ได้เพราะว่าเป็นศาสนาเก่าวโบราณเช่นศาสนาฮินดูซึ่งนับถือพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยเรียกพระศิวะตั้งชื่อขึ้นมาศาสนาอื่นก็ตั้งชื่อศาสนายิวที่มีนับถื อ, อต้นศาสนายิวอัปราม เป็นคนเจ้าศาสนาเงี้ยแล้วก็เรียกพระยะโฮวาซึ่งพระยะโฮวานี่เรียกกันเยอะศา ส, สนาคริสก็เรียกศา ส, สนาโมเสสก็เรียกศา ส, สนามหมามัตก็เรียกยอฮวาเออเรียกอโลอแต่ก็เรียกยอฮวาเขเรียกเหมือนกันศาสนาอิสลามเนี่ยแม้ที่สุดศาสนาบาไฮก็ยังเรียกยโฮวา ก็เป็นการตั้งชื่อเหมือนกันศาสนาฮินดูตั้งชื่อพระชิวะศาสนาพราหม์เรียกพระพรมศาสนามีฮินดูอีกนิกายหนึ่งกาเรียกพระนารายตั้งพระนารายขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นก๊อตเป็นพระเจ้าธรรมดานี่แหละซึ่งเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนหรอกแต่แท้จริงแล้วถ้าผู้ที่เข้าใจศาสนาแห่งพระเจ้าแล้ว สิ่งที่พระเจ้าจะบรรดาหรือช่วยโลกนั้นก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือแรงงานพระเจ้าก็คือแรงงานแรงงานที่ประกอบไปด้วยแรงกายและแรงปัญญาเรียกว่าพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นถ้าใครไปอ้อนวอนพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยนะและไม่มีแรงงานไม่มีแรงกายไม่มีแรงปัญญา ปอมีกายไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรหรอกให้อ่อนวอนไปเถอะเพราะงั้นผู้ที่เป็นาศาสนาที่มีพระเจ้ากดตามถ้าเข้าใจาศาสนาของตัวเองดีแล้วจะเข้าใจว่ า, าศาสนาที่มีพระเจ้ากดตามท่านตั้งไว้เป็นนามธรรมาเฉยๆแต่แท้จริงแล้วคือแรงงานที่เกิดจากทางแรงกายและแรงปัญญาเพราะในาศาสนาที่มีพระเจ้าเองก็สอนไว้ว่า ฟังดูดีๆในศาสนาที่มีพระเจ้าเองก็สอนไว้ว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองก่อนเท่านั้นฟังดูดีๆพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองก่อนเท่านั้นพระเจ้าจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่ช่วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นคาสอนคานี้ก็บอกอยู่แล้วในตัวอยู่แล้วว่าจงทําจงออกมีแรงงานถ้าไม่มีแรงงานพระเจ้าก็ไม่ช่วยอะไร เพราะฉะนั้นตัวพระเจ้าจึงคือแรงงานเองแรงงานที่ดีด้วยทั้งแรงกายและแรงปัญญาถ้าใครมีแรงกายแรงปัญญานั้นก็จงทามันก็ตรงกับศาสนาพุทธตรงที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปร้องขออ้อนวอนกราบไหว้ที่ไหนไม่ต้องความรัก มิติที่แปดเป็นความรักมิติที่ตัดรอบออกมาแล้วเป็นความรักอยากอนัตตาไม่มีตัวตนเริ่มต้นที่จะละอัตามิติที่แปดคือความรักที่กำลังจะเลิกความรักรู้ว่าความรักเป็นทุกข์จึงจะปลดปลื้มความรักออก ก็คือศาสนาไหนที่สอนอนัตตาสอนให้รู้ว่ามีความรักทางเพศเนี่ยเลวชั้นหนึ่งนะเลิกให้ได้เพราะเห็นแก่ตัวจักอย่าเป็นเพราะงั้งศาสนาพุทธจึงสอนเรื่องเพศลดลงเลิกเสียพอมาเป็นสาวกห้ามอย่าถึงขั้นเป็นพระเลยแค่แค่ถือศีลแปดห้ามแล้ว เรื่องเพศเรื่องเมีทุนเรื่องผู้หญิงผู้ชายห้ามแล้วเพราะมันเป็นทุกข์และเป็นความรักที่เลวที่สุดด้วยอย่าไปมีเลยอย่างนี้กลับกันแล้วมิติที่แปดเป็นความรักที่กําลังจะเลิกความรักล้างความรักแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทําไ ด, ได้ผู้นั้นก็พ้นทุกข์ออกจริงๆเพราะความรักมันเป็นความทุกข์ผู้ใดลดความรักระหว่างเพศได้หวาน เบาเบาเบาจริงๆถ้าคนไหนยังมียิ่งคนไหนยิ่งพอกไปด้วยอารมณ์รักแม้ถ้ามีตาชั่งชนิดพิเศษชั่งจะมีน้ำหนักบานเลยหนักชีวิตหนักหัวหนักใจหนักทุกอย่างเลยยิ่งรักมากยิ่งหนักมากไม่อยากให้ห่างกายห่างตัวไปเลยอยากจะ ไม่ได้พลาดสายตาก็ไม่ได้หมายมันหนักแล้วเกินแค่จะอุ้มกันไว้ทั้งตัวแล้มันหนักด้วยน ะ, ะไม่ใช่ เ, เล่นๆ น, นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดตัดเรื่องความรักระหว่างเพศได้แล้วเ้าสบายมากไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยสบายตัดรอกไปได้เพราะมันเป็นความรักที่เลวที่สุดตามที่สุดขอให้รู้ อขอให้คิดให้เห็นอย่าเพิ่งเชื่ออัตมานัตพระพุทธเจ้าให้เกียรติแก่คนทุกคนหรืออัตมาด้วยให้เกียรติแก่คนทุกคนไม่จะพูดให้คุณเชื่อแต่พูดให้คุณเข้าใจสิ่งที่อัตมารู้หรือพระพุทธเจ้าจ่านพูดสิ่งที่ท่านรู้ว่าเป็นสัจจ์และทุกคนเอาไปวิเคราะห์ไปคิดไปตึกตรองไปไข ค, ครัวเราเองเมื่อเราเชื่อโดยตัวเราเองเราไม่ได้เชื่อใคร เพราะฉะนั้นเพราะในรัฐในมิติที่แปดนี้จึงเป็นความรักที่กําลังลดความรักเมื่อผู้ใดไม่ไปรักเรื่องเพศก็จะเอาพลังงานในเรื่องนี้มาทํางานอื่นไม่เที่ยวไ้าเที่ยวคือลงทุนซื้อเสื้อซื้ อ, อผ้าแต่งตัวทําโน้ตทำ น, ทนี้ดังกล่าวแล้วจับจ่ายอะไรไม่แล้วประโยชน์ถ้าผู้ใดไม่รักเท่านี้ก็เอามาเผื่อแผ่กับผู้อื่นได้ ในการลงทุนทั้งเวลาก็มาใช้ประโยชน์กับผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเสขาบุคคลหรือผู้กำลังปฏิบัติทำอยู่ในสายของาศาสนาที่เป็นอนัตตาคือผู้ที่กำลังมีความรักชนิดที่แปดมิติที่แปดกำลังล้างความรักออกระหว่างเพศต่อมาล้างความรักระหว่างลูกไม่มีแล้วลูกเพราะมันไปกันก เห็นแก่ตัวที่เพิ่มขึ้นและเป็นภาระหนักขึ้นเพราะฉะนั้นทําไมมีลูกก็ไม่ต้องจับใจไปไปอีกหนักอีกก็เอาลาบหรือผลพลอยได้หรือสิ่งที่เรามีทั้งกําลังกายทั้งกําลังใจอะไรอะไรของเราก็ตามแต่มาเผื่อแพ่ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นอีกลดลงไปอีกถ้าผู้ใดเป็นไปได้ฟองดูดีๆนะปเดี๋ยวจะเนี่ยจะมากําลังอธิบายซ้อนนะนะมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนไปหาอันเก่าแล้วนะ พระณนผูดด้ใดเลิกได้แม้กระทั่งตัดยาติปริวัตตังภาษาบาลีว่ายาติปริวัตตังปะหายะคืออย่าไปมีแวดวงความรักอยู่แค่หมูญาติทำลายแวดวงอันนี้ออกแล้วเราจะเป็นคนมีประโยชน์อย่าเห็นแก่แค่หมูญาติจงเห็นความเป็นสัตว์โลกดีกว่าถ้าเห็นแก่แต่แค่หมูญาติอย่างแค่เพราะฉะนั้นถ้าหมูญาตคนไหน เดือดร้อนน้อยกว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเดือดร้อนมากกว่าก็จงช่วยเพื่อนบ้านก่อนไม่ใช่ว่าญาติเราเดือดร้อนนิดเดียวแต่เพื่อนบ้านเดือดร้อนตั้งมากก <c oughs> ็ไปช่วยไปช่วยญาติของเราก่อนไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่กําลังเรียนรู้อย่างนี้จึงเป็นผู้ที่กําลังเข้าใจถึงตัวประเด็นที่แท้ความทุกข์ของผู้ใดมาก และโดยองค์ประกอบหรือโดยเหตุปัจจัยที่มันควรจะช่วยคนไหนมากกว่าไม่ตีค่าว่าเป็นญาติเราแต่ตีค่าเป็นสัตว์เมืองเท่ากันคนนั้นก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นการตัดรอบของความเห็นแก่ตัวแค่วงญาตินี่ก็จะลดลงจริงๆรมยาติดปริวัติตันงปหายะคือไม่เห็นแก่แวดวงรอบๆสั้นๆแค่ญาติปหายะนี่หมายความว่าทาลายความเห็นแก่วงญาติเท่านั้นเอง เลิกมาได้ไม่ห่วงญาติผู้ใดทําได้ก็ยิ่งดีอย่างพราะพระที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ยังไม่ถึงขั้นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่ปฏิบัติหรือเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นโสดาบันเป็นสักขาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอริยะแล้วตัดกิเลส ท, ทั้งเรื่องเพศตัดกิเลส ท, ทั้งเรื่องเกี่ยวกับลูกเต่าตัดกิเลส ท, ทั้งเรื่องญาติโกโยติกา ผู้นี้ก็เป็นผู้ที่สูงขึ้นถ้าตัดได้จริงจิตใจไม่มีความรักแบบนี้แต่ยังมีความรักอยู่เหมือนกันยังมีความรักอยู่ในจิตอยู่เหมือนกันเพราะความไม่รู้ว่าไปรักทำไมไม่ต้องมีรักก็ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาอยู่เรียกว่าเสกขบุคคลทาตนเรียนรู้โลกเรียนรู้ความจริงว่าคนเรามีมนุษยสัมพันธ์อย่างไรเราจะทาตัวให้เป็นผู้ที่มีความ สามารถมีสมรรถภาพมากทำอย่างไรกำลังเรียนอยู่พราะฉะนัศาสนาพูดจึงสอนเป็นหลักเกณฑ์ผู้ที่จะทำตนให้มีสมรรถภาพมากอย่าไปวุ่นเรื่องความรักแบบตำ่ำที่หนึ่งที่สองที่สามมิตีหนึ่งสองสามและจงทำตนเองด้วยตรวจตนเองด้วยว่าตัวเองไปเปลืองเพราะตนเองด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอย่างนี้อะไรอีกบ้างก็คือไปติดอบายมุกต่างๆซึ่งมันทำให้เราเผาผลาญสูญเสีย ก็จะต้องเลิกมันด้วยเมื่อเลิกมาได้เราก็จะมีเวลาเหลือไม่ไปเอาเวลาเสียเวลาทั้งเล่นไพ่ทั้งติดจิงเสพติดตัดเรื่องความรักได้เรื่องความรักท่างเพศได้ยิ่งดีใหญ่เรื่องละเมงละครการละเล่นแม้แต่เกมที่ไม่เข้าท่าก็ไม่ไปเอาใจใส่วุ่นวายเรื่องหนังเรื่องละครเรื่อง เ, อเพลงการเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เรื่องในราว เดี๋ยวนี้ยิ่งเพลงอะไรนี้ก็นมกว่าจะมีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนนี้มีแต่เพลงหูแตกลําโพงอันเท่านั้นร้องก็ไปเทสุดเสียงสังลําโพงไมนกองฟัวจะต้องมีคนละอันคนละอันตะโกนพร้อมกันก็นกนไปตีก็ปธธระเิดทสมาตีที่นี่แต่คุณเอยห้องประชุมเท่านี้สมามคนพวงนี้จะหูตึงก่อนอายุพวกที่หลงเสียงเพลงพวกนี้ พออาตมาขนาดนามว่าเพลงหูแตกหูแตกจริงๆเดี๋ยวนี้ยังข้ ย, ยังชั่วเป็นมีเพลงเพื่อชีวิตมีสาระถาคือมานิดนึงร้องกันพอรู้ว่ า, าชักชวนกันยังไงแล้วก็งุงยิงงุงยไม่ใครเป็นสโกนหูแตกกันเหมือนอย่างก่อนนี้อย่างคณะของฝรั่งก็ไปคณะอะไรที่หน้าปกหนังสือผ่าตัดนะอาตมาจําชื่อไม่ได้แล้วอ่ะ อะไรนะต้องไม่ชัดอัตมาเดี๋ยวนี้มันไม่เอาใจใส่แล้วแต่ก่อนนี้อัตมาก็ เ, าเอาใจใส่มากเรื่องดนตรีการเรื่องเพลงการอะไรพวกนี้อัตมาตัดได้เป็นสิ่งที่สุดท้ายตัดกิเลสเรื่องนี้เป็นอันสุดท้ายเรื่องอื่นๆก็ตัดง่ายก่อนแต่เรื่องเพลงการเรื่องเสียงนี่ตัดเป็นอันสุดท้ายเลยเพราะว่ามันมันชอบมันหลงอะ่ะ แต่ก่อนนี้มันไม่รู้มันก็หลงหลงเพลงการอะไรดมากมายเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วไม่ได้หลงแล้วไม่ได้หลงเป็นสาระถาอะไรแล้วเป็นแต่เพียงความหลงของมนุษย์พุทธิหลงอยู่อที น, นี้หัวกลับมาถึงว่าพ่อผู้ใดตัดกิเลสที่อบา ย, ยมุขได้ไม่ติดแม้กระทั่งละเมงละครรไม่ติดแม้กระทั่ง ดนตีการหนังไหนอะไรพวกนี้การละเล่นก็ไม่ติดด้วยการละเล่นเดี๋ยวนี้ก็เฟื่องมากและก็ผ่านพลามากโดยเฉพาะเกมกีฬาเนี่ยที่จริงเป็นเกมชนิดหนึ่งที่ลดพลังงานเราลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครฉลาดจะลดพลังงานหรือจ่ายพลังงานออกเพราะถ้าพลังงานมันมากมันไม่ไหวเหมือนกันมันเอาไปในทางจะหาทางจ่ายประเดี๋ยวก็การมารุมจัด จึงต้องไปออกกำลังกายเล่นเกมบ้างคือพยายามพยายาทำลายพลังงานออกจากตัวบ้างก็เลยไปหาเรื่องเล่นเป็นเกมเป็นกีฬาอะไรต่ออะไรกันแต่กีฬาทุกวันนี้เนี่ยไม่มีบายโปรดักจริงๆคือไปเตะลูกฟุตบอลเนี่ยแม้โกรธมันจริงเตะตูมตูมตๆมเตะจริงเลยปะเดี๋ยวก็แตกไปเตะมันทำไมโกรธมันแต่ปางไหน วิ่งสุดไล่กันเตะกันเสียค่าตาดเสียสนามให้ก็ปลูกผักเขายังดีก็เอาไปทำสนามนั่นนะไว้อย่างงั้นนะคุณอยากออกกําลังอยากจ่ายพลังงานไม่ว่าเพราะว่าทํามันมีมากประเดี๋ยวก็จะยุ่งหาปี๊บเตะกันไม่ทันก็ไม่ว่านะจะลดพลังงานก็ไม่ว่าแต่คุณควรฉลา่ยว่าการจ่ายพลังงานออกแล้วต้องมีบาร์โ duct กต้องมีผลพลอยที่ได้จากการจ่ายพลังงานนั้น ไม่จะว่าจ่ายออกไปแล้วศูนเปล่าหออแพะแคกอยู่ไหนไม่มีอะไรได้อะไรมันเตะมันอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยอ ย, ใในะอยู่ไหนใส่ปี๊บมาดูี่มันนะอยู่ไหนอ่ะมันเป็นสุขคันลิกะเหมือน ก, นกันกับความรักนั่นแหละเป็นอุปทานชนิดหนึง่งไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวตนแต่ว่ามันอะไรก็ไม่ลูกเพราะฉะนั้นถ้าผูา้ใดยังไปหลงมันมาก ก็จ่ายพลังงานฟรีตั้งแต่เด็กอุตสาห์แม้วันนี้กินไข่สามฟองวันนี้กินอะก็ตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อสันสวรรค์นเนื้อสันสาวก้อนหนึ่งหรือจะเล่นแบบฝรั่งหน่อยเล่นสโ ต, ต๊กสเต๊กอะไรก็เถอะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายมันออกโดยที่เรียกว่าเพื่อแกลกความมันซึ่งใส่ปีปบมาดูก็ไม่ได้ลอยลมอยู่ไหนก็ไม่รู้จ่ายไปไม่มีบายโปรดักจริง เพราะฉะนั้นกูอยากออกกำลังกายจับเสียมขึ้นจอบขึ้นที่ดินที่ไหนมีพอเล็กน้อยแม้แต่เล็กน้อยก็ยังทำได้ดขุดรับรับรองคุณได้จ่ายพลังงานเอาผักมาปลูกตักหน้ามารดเงือแตกมันด้วยแหมสนุกจังโหปลูกเนี่ยผัดชนิดนี้อี่ห้อนี้ผัด ก, กาดผัดคณะผัดอะไรตัวไรนี่เออ รอลดน้ำวันแล้ววันเล่าลดน้ำได้ทุกวันด้วยได้ลดน้ำทุกวันด้วยได้ออกกำลังกายทุกวันด้วยแล้วก็ได้ดูผลงานออกแหมชุนใจออกแล้วหน่อขึ้นมาแล้วผิดไปแล้วได้กินมันเข้าไปด้วยเป็นสภาพที่เรียกว่าได้ประโยชน์จริงๆยกตัวอย่างง่ายๆหรือคุณไม่ทำใหนนี้มีอีกร้อยแปดใี้คุณทา น่นไปพัฒนาโน่คูคลองที่ไหนสะพานที่ไหนหรืออะไระอะไรก็ได้เยอไปไม่มีอะไรก็สนามมหาวิเลยนีนก่กวาดกขาทีเ <c oughs> งื่อแตกด้วย <c oughs> จริงๆคุณทําได้คลองไหนคูไหนเวลาฝนตกตรงไหนมันอุดมันตันคุณก็มาวันนี้ทำใครไม่ทําทําคนเดียวก็ได้ได้ <c oughs> ออกกําลังมากก็ดีไปวิ่งแตกอยู่ในสนามวัดสนามยังไม่รู้ตั้งทีวัดมันไม่รู้กี่ทีแล้วก็ไม่รู้จักจำจังทีวัดจําไม่ได้ต้องวิ่งหรือวัดมาอยู่นั่นนะ ไม่รู้กี่รอบกี่รอบเพราะฉะนั้นคุณอยากออกกำลังกายทางออกกำลังกายของคลฉลาดออกแล้วต้องมีผลพลอยได้ไม่จะออกกำลังกายฟรีๆการละเล่นจึงเป็นการหลอกให้เราออกกำลังกายถ้าการละเล่นกลางแจง้งหรือการละเล่นที่มันออกกำลังถ้าการละเล่นในล่มนะเดีย๋ยวพูดถึงเลยนะยิงเร็วไม่ได้เข้าท่าเลยไม่เข้าท่าเลยจะเป็นบอกว่าเพื่อออกกาลังกายก็ไม่ใช่ จยมาฝึกสมองคุณมาฝึกสมองวิเคราะห์สิ่งที่ดีดีอันนี้ดีอันนี้ชั่วเยอะไปแล้วไปคิดเลขแม้จะเปโตตัวนี้สี่สิบแท็บเอาละวะอยู่นี่ไฝึกมันทําไมอย่างงั้นอ่ะไปฝึกมันทําไมคุณมีทางที่จะใช้ปัญญาใช้สมองวิเคราะห์ได้มากมายไม่จำเป็นจะต้องไปฝึกแค่นั้นเลย พวกอย่อื่นได้เยอะแยะไปคิดอะไรก็ได้วิเคราะห์ อ, อะไรก็ได้อเนะชิงคณิตศาสตร์ก็มีเชิงวิทยาศาสตร์เชิงอะไรศาสตร์เยอะแยะไปแม้แต่เชิงกลยาศาสตร์ยังวิเคราะห์ได้เลยอย่าว่าได้เชิงศาสตร์อะไรทั้หลายกลยาศาสตร์ยังวิเคราะห์ได้จริงๆรู้จักแม่กลยาศาสตรนะ์ขนมชนิดหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นใครจะออกกำลังกายจงพยายามให้มีผลพลอยได้อย่าออกกำลังกายสูญเปล่าเนี่ยตมากำลังจะต่อต้านเหมือนกันเดี๋ยวนี้เรื่องของธุรกิจบันเทิงเรื่องของดาราเรื่องของการหนังละครอะไรเนี่ยบันเทิงทเพลงก็ตามกับเรื่องของการละเล่นกำลังพ ง, งานที่สุดกำลังครองโลกเป็นยุคของไอสิ่งมัอาบายมุกอย่างนี้ พระพุทษเจ้าตรัสไว้นะว่ามหารอศการและเล่นเนี่ยเกมส์เนี่ยเป็นอบายมุขถ้าไม่ได้ละเว้นนะถ้าไม่ได้ละเว้นนะท่านไม่ได้พูดปดด้วยท่านพูดโดยทำเป็นอบายมุขเป็นทางแห่งความสิบหายอบายมุขเดี๋ยวนี้กำลังใหญ่ผ ง, งาดคนยังไม่ยอมรับเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นความสูญเสีย ที่จริงเอ่อละเมงละครการเล่นอะไรพวกนี้นะไอการที่ละเมงละครเต้นลัมอะไรทํำท่าทางแอคอาร์ตอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของกามาขุนท่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะเสพอารมณ์เป็นงานของหญิงคณิกาหรือแก่อิชาในสมัยโบราณจริงๆผู้หญิงสมัยโบราณภาษาบาลีนี่เขาเรียกหญิงคณิกา สมัยนี้เรียกหญิง โ, โเสเภณีเกอิกชาเหมือนกันพวกนี้จะมีอาชีพอะไรมีอาชีพซ้อมฟ้อนลัมทาท่าอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้แต่งตัวสวยๆงามๆเพื่อให้ผู้ชายเขามีกามรมณ์ในทางตาร้องเพลงฉอเลาะอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อให้เขามีการมารึในทางหูทาอบลําผิวพรรณใส่กลิ่นน้ําหอมน้ําอบเพื่อให้เขา หลงทางกลิ่นทำกับข้าวเก่งใ้ชาคณิกาในสมัยก่อนนี้ทำกับข้าวเป็นด้วยเก่งด้วยทำกับข้าวกับน้ำอะไรจะได้ต่างๆคอยให้หลงทางรถลิ้นสุดท้ายสะพัดเจ็ดสีเลยหาไปหาทางที่เร็วอย่างเก่านี่แหละความรักไม่ใช่ความรักด้วยความใคร่เจ็ดสี เพราะฉะนั้นหญิงคณิกาจึงขายกลามมารมอย่างนี้ร้องลำเกง่งแอคอาร์ท่าทางเกง่งเดี๋ยวนี้มาเรียกกันว่าศิลปะทางการแสดงหรือศิลปะทางดนตรีหรือศิลปะอะไรก็ตามแต่เป็นงานของหญิงคณิกาหรือเกอิชาสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แย่งมาเยกแยะ yeah <laughs> ผู้หญิงก็โอ้โย โอเคถ้าได้เป็นดาราแล้วใหญ่เดี๋ยวนี้กําลังครองโลกผงาดมากมีอํานาจเหลือเกินคนกําลังหลงไหลมัวเมานึกว่าเก๋เ თ โถซิงกันเป็นหญิงคณิกาผู้ชายก็เป็นคณิโก้เท้วกันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนี่นะเพราะงานแต่เดินของเขาผู้หญิงเขาทาเท่านั้นเองเพราะถือว่าผู้หญิงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ค่อยเข้าใจอย่าบอกว่าผู้หญิงโง่กับผู้ชายเลยปเดี๋ยวจะโกรธ เขาจึงไปเลือกงานนี้ส่วนผู้ชายเขาไม่ทำแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ยังผู้หญิงทำและการลเล่นต่างๆนั่นนะก็เป็นการเปลี่ยนให้ออกกำลังกายบางอย่างที่ว่านั้นเพราะฉะั้นถ้าใครฉลาดออกกาลังกายได้แนละ้วเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายกันแล้วบ้าระห่ำที่สุดเกมที่เลวที่สุดคือมวยอำมหิต ท, ที่สุดพอขึ้นเวทีแนละ้วชกเข้ไปจะชกไมด่ดีไล่ลงเวทีนะ ทิ่มมาแรงไม่ได้นะเตะไม่แตกไม่เอานะนะ่นั่นหรือคือมนุษย์โสหรือสัตว์เมืองที่ประเสริฐสัตว์เมืองที่ประเสริฐต้องเห็นใครเจ็บช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลแม้แต่ล้มลงไปฝุ่นเปื้อนยังต้องช่วยกันปัดอันนี้อะไรการอัฐิ่มเข้าไปเตะเข้าไปแห น, นมัดไม่แน่ไม่เอาน ะ, <c oughs> อ, ะอะไรไม่ได้เรื่องเลย คนที่ไปชกกันก็เจ็บแสนเจ็บทุกแสนทุกแต่ถูกปั่นหัวเหมือนจริงรีเขาไม่ได้เอาเส้นผมปั่นเหมือนจริงรีหลอกแต่เขาเอาลาบเอาเงิ น, เ อ, เ, นเอาเกียรติยศว่าแม้เป็นแชมเปี้ยนโอ้โหเบลเอร์เลยเบลเอร์หลอกให้ขึ้นไปตีกันหัวล่างข้างแต่ตีไปเถอะเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นคนตีกันแล้วยังไปชอบแบบนี้คือผู้นั้นกำลังย้อมใจตัวเองให้อมหิต ผู้นั้นแหละยิ่งไปดูเท่าไรยิ่งย้อมใจกันให้เอามาหิดเท่านั้นแล้วก็จะทําให้คนเราฆ่ากันได้ง่ายที่สุดเป็นกีฬาที่ไม่ควรส่งเสริมอย่างที่สุดในโลกต่ำที่สุดเป็นเกมที่ต่าที่สุดเดี๋ยวนี้กําลังมีบทบาทมากในโลกขนาดที่โกลปักนด้ า, ด ก, ด า, ากันที่ขนาดว่าชกกันทีแม้ทําเงินเป็นล้านล้านล้านฆ่ า, าตัวคนชกก็เป็นล้านฆ่นาตัวดาราก็เป็นล้านล้านสิบล้านยี่สิบล้าน เก้ทั้งนั้นอลิซเบีเล่นคซีโอพัตราราคา20ล้านเสร็จแล้วก็มาแก้ผ้าเล่นมันดีหรือเป็นผู้หญิงที่ดีนะซีโอพตานี่แก้ผ้านะคุณแต่มาใช้เมืองไทยเมืองไทยดีมพรเมืองไท ย, ยเซนเซอร์ดาราเมืองนอกที่เป็นดั้งดังเอกหนังแก้ผ้าทุกคนไม่มีดาราเมืองนอกคนไหนที่เป็นผู้หญิงไม่แก้ผ้าผู้ชายกขแก้ด้วยเดี๋ยวนี้มันบ้าทีณนะนั้นแต่ก่อนผู้ชายดาราฝรั่งเขาไม่เคยแก้เดี๋ยวนี้แก้แล้วนีม่มาเรื่องอะไรกูมาของดีหรือของเลว คิดดูให้ดีนะนี่อาตมาพูดวิเคราะห์ให้ฟังให้เห็นแง่ดีและไม่ดีฟังเอาอย่าเพิ่งเชื่อเราควรจะสนับสนุนหรือไม่ถ้าไม่ควรสนับสนุนเลิกและตั้งกลุ่มอืนขึ้นขมูลนกันครับลมล้างอย่าให้มีเพราะมันผลานผลานโลกเนี่ยมหอระสพกับเกมหรือการละเล่นนี้เป็นอย่างนี้ และก่อให้เกิดการพนันไอ้ตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปแข่งฟุตบอลก็เถอ่งจีนัทที่แข่งแล้วไม่ตีกันแข่งบอลเดี๋ยวเนี้ยอ้างมาเพื่อความสามาคัคคีไม่ขีไม่แค่มาตีกันเนี่ยขนาดไปอิหลา น, นยังไปตีกับชาวอีหลานเลยบอลไทยไปด่ากันอยู่ที่นู้นมันไม่ได้เรื่องหรอกเริ่อก็เถอ่มาหาทางออกกําลังกายที่เป็นประโยชน์ จะมีมนุษย์สัมพันธ์โดยเกมอะไรที่มันพออาศัยพอประมาณนิดๆหน่อยๆก็เอา้าลดลงได้ยิ่งดีถ้าจะออกกำลังกายก็ออกให้เป็นประโยชน์นี่อบายมุขทั้งสิ้นผู้ใดเลิกได้ผู้นั้นก็เป็นพระอริยะอบายมุขมันมีอย่างนี้การพนันจิงเสพติดอาตมาก็ไม่ได้พูดอีกอันนึงก็คือจิงเสพติดของผู้หญิงผู้หญิงไม่กินสูบดื่มเสพ แต่สิ่งที่สิ่งเสพติพดของผู้หญิงคือการแต่งตัวเปลืองกับผู้ชายกินเหล้าะถ้าเลิกจะได้ก็ดีมากเพราะสิ่งเสพติดเหมือนกันไม่มีอะไรก็ไปชอบปิง๊งดูแคตตลอกหน่อยเอาเหมือนกันชื่นใจชื่นใจไปเจ้านั้นจะไปได้อะไรแล้วก็เอามาทําไมเอามาลงทุนอีกแกะอย่างความรับประเด็นที่หนึ่งมิติที่หนึ่งจะไปได้เรื่องอะไร เราดีในที่ดีที่สมรรถภาพอมีความสามารถมีความเกื้อกูลเมตตาทํางานเก่งเอออย่างงั้นดีทีไอ้ดีนอกดีแต่เปลืององงี้ไม่จะไปเรื่องกันละดีแต่เครื่องแต่งตัวไม่เคยเข้าทาหแล้นะอ้าก็ขอผ่านมีเวลาไม่ไม่พอที่จะพูดะละเอียดทั้งหมดเพราะว่าใครปิดอภบายมุกที่มีการพนันสิ่งเสพติดเรื่องผู้หญิงผู้ชายและก็เรื่องมหประสบการณ์ระแนนเที่ยวกลางคืน ก็คือเป็นเวลานอนนะไม่ใช่เป็นเวลาไปเชได้เต้นรานะเขาให้พักผ่อนเวลาวันทํางานก็คือในพักผ่อนจะไม่ผ่อนซะนีไปเต้นยงยงยงแยงแล้วุ้งจ้าขึ้นมาลืมตาไม่ขึ้นแลไม่ได้ไปทํางานได้อะไรทรมานสุขภาพตัวเองทําไมนั่นนะไอ้เต้นรำมันก็หลอกกันให้ไปเต้นหลอกก็ให้ไปจ่ายพลังงานอะไรก็ไม่รู้แต่แท้จริงนะแต่ก่อนเนี่ยก็หลอกให้มาแต่งอังกันแต่จะบอลลุมนะสมัยนี้ไม่บัลลุมจ่ายพลังงานเลย แต่สิ่งแรกก็เหมือนกันนะกลางคืนนอนอย่าไปเที่ยวงคืนครบมิจฉ่วไม่เจียดครานใครปิดอบายพวงนี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลของพระพุทธเจ้าสายสาศาสนาพุทธปิดอบายนี้ได้ไม่ใช่ของทําไม่ได้าศาสนาพระพุทธเจ้านี่พูดแล้วทาได้ไม่ใช่ลอยลมอยู่ที่ไหนไม่ใช่ คุณปิดอบายพวกนี้หมดแล้วแต่ละคนนะคุณเอยคุณจะได้เวลาคืนมาจะได้แรงกายคืนมาจะได้แรงปัญญาคืนมาคุณจะได้แม้แต่วัตถุเงินทองที่ต้องไปลงทุนก็ได้คืนมาหมดและคุณก็ผลักดันเวลาไปทำงานอื่นเอาแรงกายแรงปัญญาไปทางานอื่นคุณจะรวยโสดาบันรวยเป็นเศรษฐีเพราะไม่เปลืองไม่ผานในทางอบายมุก แล้วยังแถมได้เวลามาคืนเงินทองไม่เสียได้กำลังกายกำลังปัญญามาคืนเอาไปผั ด, ผดเบนไปให้ทำงานในทางอื่นจึงเจริญแท้ก้าวหน้าแท้ด้วยผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีพระนาคามีอยู่ก็ดีถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักประเภทมิตฉิี่แปลกสกทาคามีอาตมายังไม่ขอกระจายความวันนี้ ซึ่งจะต้องมาลดตึรงรูปลดกลิ่นเสียงสะพัด ร, รื่องโลกความโลกามแล้วก็มาลดเรื่องราบยศสั้นเซิญต้องรู้เท่าทันแล้วก็จ่ายออกส่วนอนาคามีนั่นเป็นพระอริยะชั้นที่เหลือจะนามธรรมที่เป็นกิเลสอยูนะ่ซึ่งจะต้องพูกกันอีกมากเป็นรายละเอียดอีกมากละเอียดลึกซึ้งนี่เป็นมิติที่แปดใครลดได้ก็คือกําลังลดความรักหรือความติด ความรักอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าความติดยึดหรืออุปทานไปหลงอยากได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนั่นเรียกว่าความรักเพราะฉะนั้นผู้ที่ลดอย่างนี้ได้ก็เป็นผู้ที่กำลังลดกำลังแตกอันตาเป็นอนัตตาออกด้วยความรักมิติที่เกก็คือความรักของพระอรหันต์หมดความรักแล้วไม่มีความรักเลยไม่รักในอบายมุขไม่รักใน การมารมการมากุลทั้งหมดไม่รักในลาบยศ ส, สันเสริญแม้แต่ความสุขเข้าใจรู้ว่ามันเป็นอริกะหรือความหลอกลวงความตอแหลเห็นในทุกเป็นอริยสัจที่แท้จริงสัจจะที่แท้หรือความแท้จริงที่คนฉลาดอริยะคือคนฉลาดอริยะหรืออารยะคนฉลาดคนพบแล้วยอดคนฉลาดคนพบคือพระพุทธเจ้าคนพบก่อนท่านคนพบ สุขมันคือความหลอกลวงเรียกว่าสุขคนลิกะส่วนความจริงที่มันเป็นไปอยู่โดยโลกนั้นคือทุกทุกอริยสัจสุขอริยสัจไม่มีนะจะเป็นหลงไม่มีสุขไม่ได้เป็นอริยสัจสุขเป็นอลิกะเป็นความหลอกลวงแต่ทุกเป็นอริยสัจเพราะฉะนั้นใครหลบทุกได้ใครปิดทุกได้ไม่ต้องมีความรักได้คนนั้นก็พ้นเลย พระอรหันต์จึงพ้นทุกข์ได้โดยประการที่ไม่มีความรักเพราะมีที่มีความรักผู้ใดมีรักผู้นั้นมีทุกข์ความรักเป็นความทุกข์พระาอารหันต์จึงเป็นผู้ที่มีความรักชนิดประเสริฐคือไม่มีความรักไอ้ยาทำไมกลับแล้วละ่ะตีกลับแล้วเป็นปริวัติหรือเป็นไตรักรอบที่สามมันกลับกันแล้วรอบที่หนึ่ง อยู่ในแวดวงคอตระกูลรอบที่สองมวลชนถึงหกรอบที่สามนี้มีถึงมิติที่เก้านี่กลับตรปัดเลยปีย้อนคือไม่มีความรักเลยจึงเป็นผู้มีมทุกข์ด้วย และพระอรหันต์นี้มีประโยชน์ต่อโลกไหมเริ่มต้นมีประโยชน์ต่อโลกตั้งแต่ละอาบายมุกแล้วเริ่มแล้วตั้งแต่เป็นพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อโลกแล้วเพราะไม่สร้าง่านิยมเร็วๆไว้ในโลกผู้ใดจะไปร่วมในอาบายมุกอยู่ยังไปนั่งในวงเล่ายังเป็นมวลชนิดหนึ่งที่ยสร้างขานิยมสร้าง่านิยมให้แก่โลกให้แก่สังคมเพราะยันท่าผู้ใดไม่ไปร่วมวงในอาบายมุกทั้งหลายปีกวออมาเสียผู้นั้นกําลังเป็นตัวอย่างอันดีงามให้แก่โลก สร้างค่านิยมอันดีให้แก่โลกอาจจะฝืนโลกหน่อยแต่ถือว่าเป็นผู้ช่วยโลกยิ่งลดไม่มีความรักชนิดที่โลกก็มีนี้มาได้เรื่อยๆลดเลยเรื่อยๆมาจนกระทั่งไม่มีความรักของโลกเลยจึงเป็นผู้ที่ช่วยโลกโดยตรงโดยแท้มีประโยชน์ต่อโลกอย่างเป็นสัตจริช่วยโลกอย่างบริบูรณ์และตัวเองทําตัวเองเป็นตัวอย่างอันแท้จริงด้วยจึงถือว่าพระอรหันต์มีค่าแล้ว แต่ยังมีความรักมิติที่สูงกว่านั้นอีกเป็นมิติที่สิบเรียกว่าความรักของพระโพธิสัตว์กับความรักของพระสมมาสัมพุทธเจ้าความรักของพระโพธิสัตว์กับความของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราไม่เรียกว่าความรักเราเรียกว่าความรู้เรียกว่าโพธิญาณ หรือสัพเพพบริยานหรือสัพทันยุเราไม่เรียกว่าความรักแต่เราเรียกว่าความรู้ข้าพติสัตย์จะมาเรียนรู้ให้หมดเลยว่าโลกนี้เขารักอะไรกันมาเรียนรู้ว่าเขารักอะไรกันมาเรียนรู้ว่าการเสียสละเสียสละอย่างไงถึงจะเสียสละได้ดีที่แน่ชบกนฮทข้โพติสัตย์เนี่ยมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรียนรู้ว่าเขาเสียสละกันยังไงมันถึงจะเป็นการเสียสละที่มีค่าที่สุดแสดงกายกรรมยังไงแสดงวจีกรรมยังไงแสดงมโนกรรมอย่างไร พระโพธิสัตว์จะมาเรียนรู้เรียกว่าโพธิญาณหรือสัพพะเรียนและทํำยังไงเรียนรู้แล้วก็จงกระทําสิ่งนั้นให้แก่โลกโดยไม่ต้องมีความรักก็ได้ไม่ต้องรักนี่ไม่ต้องรักเลยแต่ว่าแสดงทั้งกายกรรมแสดงทั้งวจีกรรมแสดงทั้งมโนกรรมที่มีค่ามีประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลกมนุษย์ชนจนกว่าเราจะสิน้นชีพดับขันจึงเหนือกว่าพระอระหรันต์ คุณอย่าไปเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์นั่นเป็นผู้ที่ต่ำกว่าอารหันนะพระโพธิสัตว์นั้นคือพระอระหันต์ที่เรียนโพธิญาณเพิ่มขึ้นเพื่อไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูยอดเพราะฉะนั้นมิติที่สิบนี้จึงเป็นมิติที่สูงยอดมีค่าแก่โลกมากตัวเองไม่มีความรักแล้วแต่ตัวเองก็ยังมีร่างกายยังมีจิตใจจึงมาเรียนรู้ว่าเราจะช่วยโลกได้อย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เราจะทํายังไงให้แก่โลกได้ดีที่สุดก็เรียนรู้แล้วทำโดยไม่ต้องรักไม่ต้องรักเกินที่คุณจะคิดว่าเอ๊ไม่มีความรักแล้วมันจะทําให้แก่คนได้ยังไงมันจะมาทํางานให้กับเขาได้ยังไงอย่ า, ยาคิดนะเพราะเดี๋ยวสมองแตกไม่ต้องคิดหรอกแต่เป็นจริงเพราะพวกนี้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วอย่างที่สุดแล้วก็ <empre es> ไม่เห็นมีอะไรก็ทําให้แก่เข้าไปสิยิ่งไม่เห็นแก่ตัวอะไรยิ่งทํางานให้โดยที่ไม่คิดเทียบเคียงใครเลย ไม่อิจฉาลิสยาไทยเลยใครจะเกินหน้าเกินตาใครจะทําน้อยกว่าแต่เราทํามากกว่าอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะถ้ามีเห็นแก่ตัวจริงๆส่วนคนที่เห็นแก่ตัวจีนแม่ฉันทำน้อยฉันทํามากแล้วเธอทําทน้อยอย่างนี่ยเพราะฉะนั้นจึงคนคิดไม่ถึงพระโพธิสสตร์ในท่านทางานไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองอะ่ะเพราะถ้าไม่มีตัวตนท่านไม่มีแล้วไม่เห็นแก่ตัวแล้วถ้านเท้ามัไหนดีท่านก็รู้ศึกษาความดีศึกษาสิ่งไหนดีสิ่งไหนถูก สิ่งไหนจะเป็นประโยชน์แก่โลกท่านก็จะทำเหมาะสมตามหน้าที่เหมาะสมควรที่สุดก็ทำทำจริงๆความรักชนิดนี้จึงไม่ใช่ความรักแต่เป็นมหาความรักอะไรก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีความรักแล้วพูดไปแล้วพวกคุณก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะพระอหรหันต์ก็เลยหมดความรักแล้วตีกลับแล้วมิติที่สิบจึงเป็นมิติที่ซ้อนหมุนหมุนรอบเชิงซ้อนที่หน้าที่ต้องคิดทีดีมันมันยากขึ้นไปแล้ว แต่อัตมาเชื่อว่าพวกคุณนี้เข้าใจคงจะน้อยคนเลือกเกินหรืออาจจะไม่มีเลยที่ไม่เข้าใจที่อัตมาว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆความรักในโลกตะมวลลงแล้วจากต่ําสุดถึงสูงสุดก็สรุปลงได้ด้วยมิติเป็นสิทมิติด้วยประการอย่างนี้หนึ่งความรักที่เลวที่สุดไร้ค่าที่สุดคือระหว่างเพศ เพรเห็นแก่ตัวในวงแคบที่สุดมีอารมณ์ร่วมอยู่นิดเดียวกระจ่ายเยอะเกินใช้จ่ายมากเกินสองความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเห็นแก่ตัวอยู่ในวงแคบมากสามความรักที่สูงขึ้นเป็นหน่อยเห็นแก่ญาติช่วยเหลือเกินญาติมีรักกว้างขึ้นไปนิดหนึง่งสเห็นแก่เพื่อนฝูงปวงชนแต่วงแคบแค่เพื่อนฝูงในสังคมหรือในหมู่ ตำบลหมู่บ้านของเราอย่างเก่งก็แค่์อำเภอจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นตน้นห้าไปถึงประเทศมีความรักเผื่อแผ่กว้างขวางไปถึงประเทศแบกโลกไว้เพิ่มขึ้นทุกข์มากขึ้นจนกระตั้งหกไม่มีเชื้อชาติไม่มีชนชาติไม่มีผิวพันธุ์ทั่วโลกเลยเป็นความรักที่กวา้างขึ้นไปอีกทุกข์มากขึ้นอีกจนเจ็ดเป็นความรักอย่างพระเจ้าแบก หมดทุกอย่างเลยทุกตสรระสิ่งทุกมนุษยชาติทุกมวลชนจะช่วยเหลือให้ได้หมดมันก็คือแรงงานนั่นเองแปดความรักของผู้ที่กําลังเป็นผู้ที่กําลังแตกอัตตาเป็นอนัตตาเป็นความรักที่กําลังลดความรักคือพระทางหรือว่าผู้ปฏิบททัติธรรมทางาศาสนาที่มีอนัตตาเป็นที่สุด แต่ศา ส, สนาพุทธเป็นต้นศาสนาอื่นจะมีหรือไม่อัตมาก็ยังไม่รู้อก็รู้สึกจะยังไม่เห็นแต่ศาสนาพุทธนีม่มีอนัตตาเป็นที่หมายอมีอนัตตาเป็นที่สุดท้ายและก็กําลังแตกอัตตาออกเป็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ไม่มีความรักไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวเก้าคือความรักของพระอาหารหันต์คือการหมดความรักพอเป็นพระอาหารหันต์มิติที่เก้าไม่มีความรักแล้วสิบเป็นความรักของพระโพธิสัตว์ กับพระสมตะพุทธเจ้าซึ่งไม่มีความรักเลยแต่มีแต่ความรู้ที่จะรู้เรียกว่าโพธิญาณหรือปัญญาตรัสรู้ที่จะรู้โลกรู้ให้กว้างไปเลยและจะช่วยโลกสรุปลงแล้วความรักคืออะไรก็คืออย่างนี้เป็นอะไรเป็นความทุกข์ถ้าใครยังมีความรักอยู่ยังจากทุกข์อยู่ก็จงทุกข์ให้มีประโยชน์ คือให้แผ่กระจายความรักออกไปให้มีอาณาเขตกว้างที่สุดไม่ว่าอาตมาไม่ว่านะแต่อะไรที่เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดเลิกเถอะเลิกเถอะสุดท้ายจนคุณไม่มีความรักเลยแต่คุณช่วยโลกได้โดยไม่ต้องมีความรักและช่วยจริงๆทำค่าทำความดีช่วยเกือ้อกูลอย่างไม่ต้องรักอันนี้เป็นยอดอุดมคติ คิดคำนวณยากแต่มีจริงเป็นจริงอย่างพระโพธิสัตว์แท้กับพระพุทธเจ้าเป็นต้นจบเรื่องความรักอะต่อไปนี้ใครจะมีปัญหาอะไรเชิญถามเจ้าช่วยอธิบายความหมายของคำว่าทุกข์ที่เกิดจากความรักด้วยความหมายของคำว่าทุกข์ที่เกิดจากความรัก ก็เพราะว่ามันจะต้องแบกไว้เลยสิก็บอกแล้วว่าถ้าเผือว่ารักมากๆขนาดที่บอกว่าจะออกไปจากกันก็ไม่ได้นะ่คลาดตาก็ไม่ได้แค่จะอุ้มไว้เลยนะมันทุกข์อ่ะมันทุกข์เห็นแก่ตัวใครจะแบ่งเอาอะไรไปก็ไม่ได้แบ่งเอาสัตว์ส่วนไปก็ไม่ได้แบ่งอารมณ์ไปยังไม่ได้เลยอถ้าพู้ที่เรารักไปแบ่งความรักให้กับคนอื่นก็ไม่ยอมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวจัดที่สุดจึงเป็นทุกข์มากที่สุด ข้าพเจ้าเคยได้ยินคํากล่าวว่าถ้ารักให้เป็นแล้วจะไม่เป็นทุกข์อาเตอคุณเก่งว่ารักให้เป็นโดยไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เอาอาตมา ก, ก็กก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกันนะถ้าทําได้อย่างไรแล้วช่วยกรุณาบอกอาตมาด้วยว่ารักแล้วไม่เป็นทุกข์นะเป็นเป็นยังไงอาตมาเองอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าและอาตมาก็เคยมีความรักรักอย่างเพศก็เคยรักอกขาก็เคยไม่ใช่ไม่เคยนะ เหนทุกรู้ทุกจริงๆแม้จะอาตามาจะออกมาบวชในอาตามาก็ยังมีแฟนปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีแฟนจนกระทั่งจดความรักได้ถึงรู้บอกโอ้โหเบาเบาจริ ง, รงๆไม่ใช่ว่าอาตามาไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักแต่ถ้าใครยังไม่รู้สึกก็จงรักกันอยู่เธอถ้าใครไม่รู้สึกถ้าใครรู้สึกจะกรหลึกมากนะ ถ้ารักให้เป็นนะฮจะไม่เป็นทุกข์คุณท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรยังไม่เห็นว่าทําอย่างไรทิ้รักก็ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ทุกถูกก็จะมาเห็นจริงเพราะจะมาผ่านมาแล้วด้วยว่ารักและเป็นทุกข์และเป็นภาระพบตรัสแล้วปลงภาระสิ้นกิจไม่ต้องยุ่งเลยอ่าคำถามต่อมาถ้าพระโพธิสัตว์ท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเมื่อท่านตรัสรู้เป็นสมมาสัพพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไร อาชันตรัสรู้ทศพลายานตรัสรู้เวสารัชยานตรัสรู้อะไรอีกเยอะแยะยานจนกระทั่งท่านแน่ใจว่าไม่มีใครที่จะเกิดอีกสูงเท่าท่านจึงปฏิญญานตนเป็นพระพุทธเจ้ามีมากกนี้นะมีมากกว่ามีมากกว่ า, า, กกว า, านี้อาตมากล่าวนี้อีกพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นโพธิยานอย่างนั้นจริงๆสองพระคุณเจ้าเป็นผู้หมดความรับกก็ยัง หมดแล้วสามสรุปสรุปว่าความรักคือกิเลสใช่หรือไม่ทำไมรู้อ่ะใช่จ้ ะ, ะความรักคือกิเลสเก่งนี่รู้เหมือนกันรตรงนี้นะเอา้าที่ว่าความรักตัวเองนั้นเป็นความรักอย่างไรไอ้ยาไม่รู้ว่าความรักตัวเองเป็นความรักอย่างไร ความรักตัวเองโอ้แต่ความรักตัวเองมันรักไปหมดแล้วมันรักตั้งแต่นิ้วมือไปจนกระทั่งถึงหัวถึงเท้าหมดแล้วความรักตัวเองเนี่ยแม้แต่ความคิดของตัวเองก็ยังรักด้วยใครมาขัดความคิดของตัวเองไม่ได้จะเถียงนี่อย่าว่าแต่นิ้วมือจนถึงหัวจนถึงเท้าเลยแม้แต่ความคิดของตัวเองยังรักเลยใครมาเถียงจะใครมาเห็นขัดใครมาเห็นคาน เยงเมืกี้ตีกันยังเอาป่ายกันยังเอาเลยมันรักตัวเองถึงขนาดนั้น้าเรียกว่ามานะทิฏฐินะฮไอคิดรักตัวเองจนแม้แต่ทั่งความคิดก็ยังไม่ยอมอ่ะความรักตัวเองนี้อาตมาก็อธิบายคร่าวๆอย่างนั้นนะมันมันตั้งนั้นแหละคุณไอความรักตัวเองพออยายามไปคิดจะเห็นถ้าไปเห็นว่าเรารักตัวเองแล้วก็ก็ดีที่จะเป็นพระอรหันต์ชะมังคนนี้ แต่พระอรหันต์ท่านรู้นะว่าคนที่รักตัวเองเป็นอย่างไรและตัวเองก็รู้ตัวเองด้วยว่าเราได้หลงรักตัวเองมาชัดนักหนาและท่านก็ปลดปล่อยเพราะฉะนั้นท่านจึงรู้แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกจะเป็นพระอรหันต์ต้องรู้ว่ารักตัวเองคืออย่างไรการที่ท่านว่าการตัดความรักที่เป็นทุกทิ้งทั้งหลายเช่นการตัดความรักระหว่างหญิงชายการตัดภาระลูกซึ่งทําให้เราไม่ต้องแบกภาระหนักไม่เป็นทุกเป็นการที่ตัดความรัก ที่วงกว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าเช่นความรักมิติที่สูงขึ้นคือรักไม่จํากัดเชื้อชาติเพราะจะทําให้แบกภาระที่หนักยิ่งขึ้นซึถ้าต้องตัดด้วยก็เปรียบเหมือนการที่อยู่โดยสันโดดใช่หรือไม่ใช่อยู่โดยสันโดดแต่ฟังคําว่าสันโดดใหม่เพราะแปลคําว่าสันโดดเดี๋ยวนี้เป็นน้ําเน่าหมดแล้วแปลกันว่า สันโดดคือความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วกันอัตมาสมมุติว่าชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีอัตมามีเงินของอัตมาอยู่สองพันล้านอัตมาไม่อยากได้ของใครอัตมาสันโดด <c oughs> เพียงพอใจในเงินสองพันล้านของอัตมาคุณอย่ามา เปลี่ยนเป็นระบบใหม่นะมาที่เดบักของอาตมาไปนะยานะอาตมาทําถูกได้แล้วโดยทําแล้วนะอาตมาสันโดษนะมีผิดสันโดษมีความพึงพอใจในความในของตนที่มีอยู่ใครมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รักของตัวเองเอาไว้ห่วงเอาไว้เงินเหลือสันโดษไม่ใช่ฟังใหม่คําว่าสันโดษหรือสันตุถีคํานี้ในคําสอนของพระเจ้ามันไม่ใช่คําเดียวโดโดๆนะสันโดษมันมีอปิชฌาสันโดษแล้ะก็มุขปวิเวกะหรือปวิเวก มีอสังสาระวิทยาลภะด้วยเอาราธนาคำนี้ก็เป็นคำควรจะกล่าวกันอภิชาสันโดษและก็ปาวิเบกปวิเบกะหรือปวิเวกมันมาจากความมักน้อยอภิชาแปลว่ามักน้อยสันโดษแปลว่าพอปาวิเวกแปลว่าหยุดให้ได้ตามที่เราพอเพราะฉะนั้นสันโดษจึงต้องมีกายกําหนดความพอเช่นเรามีไรายได้เดือนหนึ่งสองพันแม้เดือนไหนเดือนไหนก็หมดสองพัน มัแบบนี้มันไม่เข้าท่าแล้วมีสันโดษเยอะกำหน ด, ดความพอเข้าเดือนหนึ่งเราใช้จะใช้จ่ายให้ได้เดือทพันห้าทไม่ได้มักน้อยเข้ามักน้อยคือการไม่จ่ายออกให้มากกันเองไม่ใช่มักน้อยคือการไม่ทำมากทำก้าไปแล้วได้มากแล้วก็เอาน้อยเรียกว่ามักน้อยฟังให้ดีนะเนี่ยแปลมักน้อยกันผิดด้วยแปลสันโดษก็ผิดด้วยมักน้อยคือการไม่ทำอะไรแล้วดัวงนั้นก็พังสิ มักน้อยคือการทําอะไรก็ทําไปเถอะทำมากๆคุณทํางานมีแรงงานมีไรายได้ก็อาจจะให้คุณสองพันเอาเพียงพันเดียวจัดนี่เรียกว่ามักน้อยคือเราเอาน้อยเรียกว่ามักน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าทำน้อยนะฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ภาษามันเบี้ยวหมดเลยตีราคาเปลี่ยนภาษาก็ผิดหมดอามักน้อยคือก็มัดน้อยลงเราใช้มากนี่เรียกว่ายังไม่มักน้อยละ่ะใช้ตั้งสองพันนี่ไม่ได้ใช้เหลือพันห้า สันโดษคือกำหนดความพอเข้าแล้วปาวิเวกะใช้ให้ได้ทำให้ได้ไม่ได้อย่าอย่าดิ้นนะสงบอยู่ปอวิเวกะมาถามว่าอย่าดิน้นสงบอยู่ทำไม่ได้อดทนให่ได้ตามความความพอนั้นหาหลักการหามาตรการมาทําให้ตนทําให้ได้ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เพิ่มภูมิพอใช้ใได้พันห้าสบายแล้วกําหนดลงอีกให้พันหนึ่งอ่ามากน้อยลงอีกให้พันหนึ่ใ ห, ให้พอ ทำไม่ได้อีกมักน้อยลงอีกแต่ถ้าจะทํางานมากจริงคือที่ไม่ไม่เสี่ยงนะมีแรงงานมากคือดีไม่เสี่ยงเพราะคุณจะได้เป็นผูท้ที่มีความรักที่สูงขึ้นได้อีกเพราะมีแรงงานมากมีผลพลอยได้มากแล้วก็ทําอะไรให้แก่คนอื่นได้มากอีกไม่ว่าศา ส, สนาพุทธนี่เข้าใจไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้เอามาตีโต้กันามาดากันสอนให้มักน้อยก็คีดเยดด็นจิมไม่ได้จีเกียดสันหน่อย ธรรมะใดเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้านธรรมะนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของเราแต่ฐานพุทธ่านสอนอยู่อย่างนี้เมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเกียดค้ายเป็นอยภังมุขไม่ได้หรอกนะอย่าไปคิดผิดผิดอย่างนั้นหรือคุยกินวันหนึ่งสามมือคุไปถามเถอะส่วนมากตายเพราะสามลมไขมันอุดตันเส้นเลือดบ้างหรือไม่กับมะเรง็งหรือไม่กับเบาหวานเพราะอะไรกินมากกินมาก คนกินสามมื้อนี่มากแล้วหัวเราะเพราะอะไรเพราะยังเนืก้อกินอีกประเดี๋ยวซัปเปอร์แล้วใช่ไหมใช่และยิ่งผู้หญิงและยิ่งบน่นพะโล้นะเป็นพะโล้น ะ, ะไม่ใช่ธรรมาพูดเล่นนะ เสร็จแล้วก็ไปจ้างเน่ยเส้นดินอะไรเนียเน่เอาสิกิโลหนึ่งรถกิโลหนึ่งสามร้อยบาทอะไรเงี้ยไปเสียเงินเสียทองรถน้ำหนักยาเพราะงั้นอย่าไป เ, เข้าใจสันโดษเข้าใจมากน้อยผิดผู้ใดเข้าใจเรื่องสันโดษจะต้องทำสันโดษให้จริงจัง น, น, <ะ S 2> นี่เรียกว่าสันโดษถูกแล้ว สะดวกคือการทําให้พอรู้จักพอแล้วลดน้อยลงไปเรื่อยๆจะเข้าใจะสะดวกผดอันนี้ก็ตอบตัดไปเลยนะไม่มีอะไรมากคนเราเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันคะอนูตั้งแต่เล็กที่สุดตั้งแต่เริ่มมีสองอนูไปไม่มีอะไรเหมือนกันเลยในโลกบางคนรวยบางคนจนบางคนกิเลสน้อยบางคนกิเลสมาก ยังนี้ยิ่งไม่อธิบายใหญ่เลยท่านบรรยายนนไปคิดเอาเองแม้แต่อนูที่เกิดขึ้นมาเป็นสองอนูหรือปรมาณูก็ตามไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีความเหมือนกันในสิ่งสองสิ่งไม่มีในโลกสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหมือนกันฟองให้ดีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหมือนกันสิ่งอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นสองสิ่งไม่มีเหมือนกันเลยในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เหมือนกันนันคือนิพพานหรือสุญญตาเท่านั้น ไม่มีอื่นคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำงานเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายเพราะฉะนั้นมันยังไม่ตายจนทำงานความรักความเสียสละไม่ใช่สิ่งดีหรือคะคุณพูดผิดแล้วอัตมาอุตสาที่บายแทบตายว่าความรักคือความเห็นแก่ตัวแล้วคุณบอกความเสียสละนี่แบบนี้ดีกินนี่ความรักความเสียสละไม่ใช่สิ่งดีหรือคะนี่ปนป น, น, นมาแฝงม า, าด้วยยาพิษ จะพูดตัวจะพูดตัวเสียเอาตัวโก้เข้ามาใส่ผสมเข้ามานี่เรียกว่าปักหน้าไว้ ง, งามๆแต่ข้างในกระตัวเกาตัวขี้โกงตัวเกา่าความรักไม่ใช่ความเสียสละความรักคือความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าความเสียสละมันก็สิ่งดีสิแต่ความรักมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรียนรู้ความรักแล้วเลิกความรั ก, รกทําคนทำํทำทําอย่างไรคนเราถึงจะได้ไม่เกิดอีกละครับอีกคะ่ะ ก็ทำตัวให้ตายแต่การตายคำนี้ไม่ใช่ตายอย่างที่ตายเน่าเนื้อเปื่อยไอ้อย่างนั้นมันแงๆแง้วสุนัขก็ทำได้ใช่ไหมไอ้ทำตายเนื้อเปื่อยเน่าๆแบบนี้มันวิ่งเหยาะรถชนหน่อยเดียวมันก็ตายได้แล้วสบายมากแต่ทำตายอันนี้จะต้องทำแตกอนูแห่งความยึดของจิตปิญญาของคุณนี่ได้ ถ้าคุณแตกไม่ได้มันก็จะยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนอนูเอชูอมันก็เวียนขึ้นไปเป็นน้ําฝนมบางเดียวก็มาเป็นน้ำหรือคลอ ง, อ ง, องบางอะไรเงี้ยอนูเอชโถ้าไม่ได้แตกมันมันก็เกาะ ก, กันอยู่อย่างนั้นแหละอนูเขาจิตวิญญาณเกาะ ก, กันยิ่งกันน่ะแตกทําลายมันให้ได้ในตัวเรามีอนูวิญญาณ น, นั้นถ้าทําตัวนี้ไม่ตายไม่มีตายทําตัวให้แตกตัวนี้ให้ไม่ได้ไม่มีไม่มีศูนย์ นี่อธิบายเท่านี้นะพราอธิบายมากกว่านี้ไม่ไหวอันนี้ยาวอันนี้ละเอียดเรื่องยากเรื่องแตกอ น, นุของกิจวิญญานี่เป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องของพระอริยต้องหัดทําจริงๆและต้องรู้จริงนะพราไม่รู้จริงแล้วพูดเลอะถ้าเกิดแล้วมันไม่มีความสุขทําอย่างไรคนเราถึงจะได้ไม่เกิดอีกครับถ้าเกิดแล้วมันไม่มีความสุขอัดจะดกลัวจะแล้วเลยตอนนี้ ถ้าจะเรียกว่าสุขสุขอย่างยิ่งเมื่อคู้นั้นมีนิพพานไม่จะสุขธรรมดาด้วยบรมสุขหรือปรมังสุขขังเพราะมันสุขอย่างที่ไม่ต้องมีความสุขอะเหมือนกันกันเรารู้ว่าความรักที่สูงสุดคือรักอย่างไม่มีความรักชั้นเดียวกันคําว่าบรมสุขนี่อย่าแปลว่าสุขอย่างยิ่งนะถ้าแปลว่าสุขอย่างยิ่งปเดี๋ยวหลอกกันเพราะบรมสุขเป็นนิพพานเนี่ยมันไม่มีสุขแปลว่ายิ่งกว่าสุข แต่ภาษาจะมาเรียกให้ชาวบ้านฟังนี่ว่ามันดีคนเรามันหลงในความสุขก็เลยเอายืมความสุขมาเรียกมันเป็นยังไงมันเหมือนกับความสุขนั่นแหละแต่มันยิ่งกว่านะมันไม่เหมือนมันดีกว่านั้นอีกจึงเรียกว่าบรมสุขแปลว่ายิ่งกว่าสุขอาตมากํลาลังแปลเป็นภาษาไทยอย่าไปแปลว่าบรมสุขหรือปรมังสุขครั้งนี้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งมันเรื่องของโลก เนี่ยเป็นโลกียะราบยศสรรเสริญสุขนี่มันยังเป็นโลกียะยังไม่ใช่โลกุตระโลกุตระไม่มีสุขเพราะสุกเป็นอริกะบอกแล้วสุขเป็นตัวต่อแหลหรือตัวหลอกลวงมันยิ่งกว่าสุขแต่ไม่มีภาษาจะเรียกให้คุณฟังบรมเนี่ยปรมังมีปรมะเนี่ยบรมตัวนี้แปลว่ายิ่งยิ่งกว่าสุกก็ขอยืมว่าคุณคํานวณเอาค่าคะแนนเอาว่าสุกมันมีมากแค่ไหนสุขตัวไหนที่สุขที่สุดไอ้ตัวนี้ยิ่งกว่านั่นอีก ถ้าเรารักเพื่อนรักเอ า, เรารักเพื่อนรักเพื่อนร่วมโลกมีเมตตาช่วยเหลือเขาความรักแบบดีก็ไม่ดีหรือเออความรักความรักแบบนี้ก็ไม่ดีหรือคะก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งอยู่ในประเภทที่สี่มิติที่สี่คือรักไม่จะยากแต่เป็นเพื่อนเขาแล้วน ะ, ะก็พอได้ถ้าทําให้มันเป็นประโยชน์ก็อา้าก็ไม่ว่าถ้าจะรักยังเป็นประโยชน์ อมื่อตายแล้วและไม่มีความต้องการจะเกิดอีกต่อไปจะมีการกระทําอย่างไรบ้างคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้อย่างเช่นทําบุญทําทาน อ, อุทิศส่วนกุศลทําตนให้มีประโยชน์จะพอไหมไหมคะไม่พอจะทําทให้ตายอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี้เกินๆยังพูดละเอียดไม่ไหวเพราะอันนี้ต้องพูดไปอีกโปรแกรมหนึ่งต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆพูดกันนะทําให้ตายไม่เกิดนี่มันอธิบายละเอียดและหลายมุมพูด สั่นๆหรือพูดลัดๆความคุณจะเข้าใจยากและจะเสื่อก็ขออธิบายผสมลงไปนิดนึงใี่มีเวลาหยุดเมื่อไหร่นี่ากรรมการจบกี่โมงขอพักยิงปิดสามทุ่มพึ่งให้จัดไปถึงสามทุ่มพึ่งเออิมเราคงพอประมาณนะนี่จะสามทุ่มแล้วหรือเนี่ย อาจจะมีการกระทําอย่างไรบางครัที่เขายังมีชีวิตอยู่อันนี้ไม่ไมขออธิบายนะว่าทำอย่างไรถึงจะตายแล้วไม่เกิดอีกก็ขออธิบายนิดนึงว่าอย่างเช่นทําบุญทําทานอุทิศส่วนกุศลทํำตนให้เป็นประโยชน์อย่างนี้พอไหมคะไม่พอแต่ก็ควรทําทําบุญคําว่าบุญแปลว่ากําจัดกิเลสออกจากจิตก็คือทานเป็นต้นทานแปลว่าให้ไม่ใช่เอาออย่าไปทําทานแล้วจะเอา ใส่ข้าวสักพีหนึ่งสาทุขอให้สวยเหมือนเทวด า, าเหมือนนางฟ้าอาอย่างนี้ยังไปเท่าไหร่ใส่ข้าวสักพีหนึ่งสาทุวันนี้ขอหวยสักตัวห้าร้อยห้าร้อยแบบนี้นักเลงพ น, นันไม่ได้ทำทานการทำทานคือการให้เมื่อให้เดกายให้โดยวาจาแล้วใจต้องให้ด้วยอย่าไปขอศา ส, สนาพุทธขอยืนยันว่าไม่ใช่ศาสนาขอไม่มีการขอ ศา ส, สนาพุทธไม่มีการขอไม่มีจริงๆศา ส, สนาพุทธมีแต่การสอนให้ให้ไม่ใช่ให้ขออจงจําไว้อุที่ส่วนกุศลไอเรื่องอุที่ส่วนกุศลนี่อาจจะมาจากขอพูดบ้างการอุที่ส่วนกุศลนี่คุณอุทิศไปให้ใครเป็นต้นถามหน่อยให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วใช่ไหม ญาติญาติปู่ญาตาทวดที่ตายไปแล้วใช่ไหมตัด โ, โลกด้วยเหรออาการอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ผู้ตายแล้วนี้เป็นลัทธิของาศาสนาอื่นเรียกว่าเป็นอุบายหลอกกินาศาสนาพุทธไม่มีอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้คนที่ตายแล้วเนี่ยมันไม่ไปยิ่งทำพิธีการฟลางเรียกว่าวิธีกรรมอํมพลาง มีตรวจน้าตรวจท่าโดยอุทิศไปอ่จะท้าววิวหาวราอะไรว่ากันนุ่มไปนะศา ส, สนาพุทธไม่มีหรอกเพราะเป็นเป็นวิธีกรรมอําพรางอย่างหนึ่งเป็นพฤติกรรมอําพรางอย่างหนึ่งอาตมาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันไม่จริงเช่น <c oughs> <c oughs> คุณบอกว่าวันนี้แหละนะแม่ปู่คนนี้ตายไปหลายปีแล้วชอบทุเรียนเหมือนกันนะ <c oughs> คนก็ไปซื้อทุเรียนมาเจียววันนี้จะต้องตุทิศส่วนกุศลทุเรียนนี้ไปให้ปู่ให้ได้เอาไปก็ช็อกอย่างดีถาวายพร ะ, ะพระต้องยิ้มแน่เลยถ้าพระองค์นั้นชอบธุเรียนพอไปถาวายพระเสร็จพระก็ฉันตุย้ยตุยเลยตามตามให้ดีนะทุเรียนนี้เอาเข้าปากลงไปในกระเพาะอยู่ในกระเพาะนอนแอ่งแมง พระฉันเจ็ดก็บอกอโยมตรวจน้ําไปให้ผู้ตายนะโยมมาถือแก้วมาตรวจใหญ่เลยเนะยอะถาบริวาหาภูราบริปุเรศิว่ากันใหญ่เลยนะเพื่อจะให้จบเพราะว่าพระสอนว่าถ้าจบยาาะถาแล้วสัพเพแล้วยิ่งประนมือรับนะเพราะตอนนั้นให้พรตอนยถ า, านต้องว่าตรวจน้ำเหมือนั้นนะตรวจใหญ่เลย อาตมาขอให้คุณตรวจแปดตุ่มทุเรียนออกจากกระเพาะไหมไปไหมปูได้กินทุเรียนไหมอา้าวพฤติกรรมอําพรางนี้ไม่ใช่ของพุทธพุทธไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันได้เป็นอุบายอันหนึง่ง่อหลอกกินและพระจิมาได้กินของดีๆซะด้วย นี่อาตมาเป็นพระนะอาจจะมาพูดโดยไม่เกรงใจเราอาจจะมาเป็นพระเอกอาจมาเผยแผ่ศาสนาธรรมอาจจะมาไม่กลัวอาตมาอดตายเพราะอาตมาถือว่าอาตมามีธรรมที่จะทํางานอาตมาทํางานเผยแผ่ธรรมทำอะไรนี่แสดงให้เห็นคนมีปัญญาให้เข้าใจถึงสัจจธกรแล้วเขจะเรียกอาตมาไว้เองเพราะอาตมาไม่มีแม้แต่เงินบาทหนึ่งอาตมาไม่มีข้าวสักเม็ดหนึ่งอาตมาไม่สะสมเพราะฉะนั้นอาตมาถ้าสะสมอาตมาไปโปรทั่วหัวและแหงไม่ได้อาตมาลําบาก ถ้าสะสมแล้วจะมาจอดที่นี่ไปไหนก็ต้องมานอนที่บ้านนี้ไปไหนก็กลับมานอนที่นี่อาตมาเผยแผ่สัจธรรมให้กว้างขวางต่อประเทศไม่ได้หรือชาว โ, โลกไม่ได้เพราะจะห่วงจะกลัวเสาเรือนจะหายกลัวปี๊บข้าวจะคนจะเอาอะไรไม่เอาอ่ะอาตมามีบาทใบนึงไปนี่แหละครอยากเลี้ยงไว้จะให้รู้เลี้ยงไว้อาตมาทํางานและคนที่มีธรรมะคนที่มีปัญญารู้จะเลี้ยงอาตมาไว้เองอาตมาไม่กลัวอดหรอก ที่อาตมาผู้นิมพูดสัจจกให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเรื่องอุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้เลิกได้ก็จงเลิกเสียอย่าไปมงมงายอยู่เลยเป็นศีลลประพับปรามาสชนิดหนึ่งนะเป็นศีลประพับปรามาสชนิดหนึ่งถ้าผู้ใดยังไม่มีปัญญาเข้าใจเขาจะทําอยู่ก็ให้เขาทาเถอะถ้าเราช่วยอธิบายเขาก็ใจได้ก็อธิบายมาอย่า แต่คุณจะทําบุญก็พระเชิญพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลี้ยงท่านไว้ไม่เลี้ยงไม่ได้ไม่เลี้ยงประเดี๋ยวยิ่งแย่กันใหญ่เลยศัตรูธรรมไมมีความเข้าใจไม่มีปัญญาจะฉลาดรู้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ต้องทํำมีรายละเอียดอีกอาตมาวิคอยฟังได้อีกเยอะแยะว่าทําไมเหตุผลเป็นอุทิศผู้ตายเนี่ยมันไม่เข้าทาและมันไม่เข้าทางต่างหลายอย่างเพราะผู้มาลับส่วนบุญนิมิตเปรตเขาอยให้ปู่คุณไปเปรคุณก็อธิษสู้กันตลอดไป พรวิญญาณที่มารับส่วนบุญได้มีแต่เปรตชนิดเดียวชนิดอื่นไม่มีเทวดามีทิพย์ของท่านกินถ้าวิญญาณเป็นเทวดามีทิพย์ของท่านกินมีวิญญาณเปรตชนิดเดียวมารับส่วนบุญนะคุณอยากให้ปู่ย่าตาทวดตายไปแล้วกี่ปีกี่ปีก็เปรตอยูกับเชิดไม่ไม่ไม่ไม่หวาดอะไรนะความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือ ความรักนี่หลากย่างหนึ่งความทุกข์ก็คือความไม่เข้าใจในสิ่งที่ปรุงสร้างกันมาในโลกพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จักความแท้จริงอธิบายกันยาวความถ้าจะพูดกันแล้ต้องแกกเพราะว่าสุดท้ายของผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่จะรู้อริยสัจนั่นก็คือจะต้องรู้ทุกข์มันจะพูดกันแต่เพียงสั้นๆ น, นี้ไม่ได้ พราขณะนี้คุณรู้ว่าความรักเป็นทุกข์รักออกก่อนแล้วยังมีอื่นที่จะต้องเรียนรู้โดยสัจจ์อีกเพื่อที่จะคลายทุกข์ตอนนี้ก็รู้ประเด็นหนึ่งสัก่อนความรักรักที่เหมาะสมกับคนหนุ่มสาวสมัยนี้อยากให้พระคุณท่านแสดงความคิดเห็นว่าความรักที่เลวน้อยที่สุดคืออย่างไรความรักที่เลวน้อยที่สุดก็คือความรักของพระเจ้าไงความรักที่เลวน้อยที่สุดคือความรักมิติที่เจ็ด ของพระเจา้าเขามีประโยนชน์แก่ปวงชนมวลชนมากที่สุดเสียสละและแบกโลกไว้หมดทุกอย่างเลยนี่ความรักที่เร็วน้อยที่สุดก็คือดีมากที่สุดนั่นเองส่วนผู้ที่รู้แล้วว่าความรักคือความทุกข์ก็เริ่มต้นไปมิถุนที่แปดที่เก้าที่สิบไปลดลงแล้วก็หมดความรักนั้นอนี่ตอบเท่าวๆปรเดี๋ยวสามทุ่มครึ่ ง, งตบปีนเข้าหอไม่ได้อาจารย์ทุกคนหมดความรักชนิดที่หนึ่งมนุษย์จะเกิดได้อย่างไร แล้วโลกจะเป็นอย่างไรผู้นี้เฟ้คิดมากไปประเดิ๋ประสาทจริงๆ impossible เป็นไปไม่ได้มนุษย์โลกที่จะไม่มีมนุษย์สต่อโลกมนุษย์จะเกิดได้อย่างไรก็เดี๋ยวนี้มันบังคับการไม่เกิดกันแล้วคุมกําเนิดกันแล้วคนจะไปห่วงทำไหมมนุษย์จะล้นโลกอยู่แล้วและแม้คนจะไม่มีความรัก คุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะไม่เกิดตราบใดที่คุณเป็นผู้ชายยังไปหาโสเภนีอยู่นั่นไม่ได้ทำเพราะความรักเลยแต่เกิดได้จริงๆด้วยและอาตมาขอบอกให้ปู่ย่าตายายสมัยก่อนๆไม่ได้ไม่ได้แต่งงานเพราะความรักหรอเพราะบางคนก็ลูกสิบบางคนก็ลูกสิบสองสมัยเก่าๆไม่ได้แต่งงานเพราะความรักเลยไม่เชื่อไปถามดูถามรุ่นเก่าๆดู ปู่ยาตาทวดกันต่างไอ้ความรักนี่มันเมาเกิดทีหลังนี่แหมมาจากโลกไนกับมนุษส่งมาไอ้ความหลอกแบบแบบเนี้ยมันมามีความรักแันนี้ทีหลังแต่ก่อนก็ไม่มีนะแล้วก็สร้างกันอยู่ได้สร้างมนุษย์นี่สร้างได้โดยไม่ต้องมีความรักคุณจะห่วงเลยและเป็นไปไม่ได้ด้วยโลกจะไม่มีเพราะคนที่จะไม่แม้แต่จะไม่สมสู่นี่นะยากทั้งยากคุณคนถามเนี่ยถ้าตัวมนุษย์จะหมดโลก คุณมาสะกดให้ได้คนที่หนคือไม่ทําการส้มสูหมาสะกดถ้าคุณทําได้คุณยังจะพอนึกว่ า, าคนอื่นจะทําได้บ้างถ้าคุณยังทําไม่ได้อย่าหวังเลยที่คุณจะเลือกสิ่งนี้ยังไม่ได้และอย่าหวังเลยเพราะมนุษย์จิตหมดโลกคนทําได้เป็นคนเก่งนะถึงต้องนับถือบูชาไม่ใช่ของง่ายการที่จะล้างไอ้อุปทานหรือว่าสิ่งที่เป็นหลงยึดว่าจะต้องเสพหรือว่าจะต้องมีการส้มสูนี่ไม่ใช่เรื่องเล่น เป็นเรื่องที่ติดยึดมันานมากมายแล้วอาใ น, นเมื่อสังคมปัจจุบันยังยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรปฏิบัติเพราะฉะนั้นาหามีผู้คิดต่อต้านคิดจะคิดจะล้มล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วสังคมจะยอมรับหรือไม่ขอรัศนาพระคุณเจ้าจอธิบายสังคมจะยอมรับหรือไม่ อาตมาก็ไม่รู้แต่อาตมาเห็นว่าไม่ดีอาตมาก็พยายามเผยแพร่อะจะยอมรับก็อผลที่เห็นด้วยกันถ้าสังคมยังยอมรับว่ดีอยู่ยังจะมีความรากแบบหนุ่มแบบสาวแบบระหว่างเพศแบบอะไรกันอยู่ก็ก็มีแต่สิงกระนั้นก็ตามมันก็จะยังมีพระพุทธเจ้าเก่งกับอาตมานะท่านยังไม่สามารถที่จะเอาชนะ ความรักแบบนี้ด้วยหรืออะไรอะไรพวกนี้ด้วยต้องเอาชนะไม่ได้หมดได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละซึ่งจะยังโลกว่าให้มีประโยชน์บ้างทวงดุลโลกถ้าไปมีความเห็นแก่ตัวความรักแบบนี้หมดโลกยิ่งบันลัยเลยก็รีรอที่สุดเพราะฉะนั้นการถ่วงดุลการสร้างประโยชน์ให้แก่โลกต้องทำความเกิดตามแนวสอนของพระพุทธของพุทธะเป็นความเกิดความดับของตัณหาอุปาทาน การเกิดตายอย่างชาวโลกพระพุทธองค์คงไม่สนใจจะจริงหรือไม่การเกิดเกิดตายอย่างชาวโลกที่ว่าตายแบบบดลมหายใจตายเน่านี่นะพระพุทธเจ้าไม่สนใจจริงแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสนใจแต่การเกิดตายของสัญหาอุปท า, าถูกแล้วก็คือการแตกอนูของจิตที่มันยึดบอกแล้วอุปทานเรื่องการยึดถือในอนูของจิตนั้นไว นี่แหการเกิดดับตัวนี้ใครทําดับได้จริงแต่อา น, นุตัวนี้ได้จริงคนนั้นก็คือการทําตายอย่างแท้จริงส่วนการตายเน่าตายเน่าตายเน่าตายแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรลพราะมไม่ตายจริงพราตายแบบนี้อาตมาบอกแล้วแม้แต่สัตว์เชลยช้างเขาก็ตายได้ถ้าเกิดดับอาพาอุปทานต่างๆแล้วใช่คุณจะเป็นว่าตายเกิด ถ้าให้ดับตัณหาอุปาทานต่างๆให้จนหมดทุกแล้วนี่จึงเป็นอรหันต์คงจะถามว่างั้นถามปัญหาสุดท้ายก็ว่าทุกวันนี้มีอรหันต์หรือไม่ตอบว่ามีเอาไว้แค่นี้ก่อนนะตอบว่ามีอรหันต์ยังมีอยู่เนี่ยจะมาไม่ได้ตอบเล่นแม้คํายืนยันของพระเจ้าตัดไว้ก่อนจะปรินิพพานก็สัดไว้ว่าโลกไม่ไรซึ่งอรหันต์ตราที่มีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ ทุกคนเกิดจากกามแม้แต่พระพุทธองค์ถ้าคนทุกคนหมดกามแล้วโลกนี้คงไม่เป็นโลกท่านไม่ไม่เชื่อว่าแหมลอกภาษาพรัรงซด้วย uh, Love make the world go round <c oughs> เขาว่าอย่างนั้นมานี่นะอาตมาก็อ่านตาม <c oughs> ท่านจงอธิบายโลกนี้คงไม่เป็นโลกต่อไปประเด็นเดียวกันแค่ที่กลัวโลกสูญพันธ์อ่า เบอกว่าคนเกิดด้วยกรรมคนเกิดด้วยกามจริงแต่ว่าโลกนี้จะไม่หมดโลกคนจะไม่บูญพันนะเพราะฉะนั้นใครไม่มีกามแล้วก็เลิกซิ้นสิเลิกได้ก็เป็นดีอย่าเรียนถามว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือจุดแรกแห่งการตัดออกจากทางโลกของท่านอันนี้ถามประวัติคนตัว และได้ทราบมาว่าท่านไม่ยึดถือในพระพุทธรูปอยากทราบว่าท่านมีแง่คิดกับเรื่องนี้อย่างไรสาเหตุจุดแรกแห่งการตัดออกจากโลกจากทางโลกไม่ใช่ออกจากโลกอาตมาไม่ได้หนีโลกไปไหนอยู่ด้วยกันนะการตัดออกจากทางโลกของอาตมานั้นสาเหตุจุดแรกไม่ต้องจะสืบไปถึงไหนเนี่ยจุดแรกที่สุดที่อาตมาออกจากทางโลกก็ต่อเมื่อเห็นว่าโลกมันไม่น่าอยู่ ก็เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มละกิเลสและเห็นผลเช่นอาตมาแต่ก่อนเล่นเพะเก่งไม่ใช่เก่งหรอกเล่นแล้วเสียทุกทีคือชอบเล่นมากๆอรัไม่ใช่ว่าเก่งหรอกชอบเล่นมากเลิกเล่นเพะแล้วเลิกเล่นไพ่แล้วถึงรู้ว่าโอไอ้โลกอบายไอ้โลกเร็วๆอย่างนี้แม้พอเลิกตาย น, นี่มันดีอย่างงี้นี่เปลง ไม่ต้องบุ่นกับมันเลยบางทีงนี้สองอยางกําลังอาบน้ำเสร็จจะนอนเพือ่อนมาเคาะประตูแล้วฮ <Hey, S 2> แก่มือแก่มือแน่ <laughs> ไปไม่ได้นอนหรอกตื่นเชา้าก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้นอนด้วยตื่นเช้าก็ไปทํางานไม่ได้บางทีสองวันสองคืนบ้าเลือดถึงอย่างนั้นพอเราเลิกจะได้ซุปกระเซมไม่ ส, สมมงยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่หนึ่งและนี้ อีกหลายตัวอย่างที่เห็นว่าโลกนี้หลอกเราแล้วเราก็เลิกโลกนี้ได้จึงได้ออกมาจากโลกนี่เล่าข่าวคลาสนะและได้ทราบว่าท่านไม่ยึดถือในพระพุทธรูปอยากทราบว่าท่านมีแง่คิดกับเรื่องนี้อย่างไรพระพุทธรูปอาตมาไม่ยึดถือที่พระพุทธรูปในนี้เอาตามที่หมายนี่นะหมายความว่าไปรูปที่ปั้นขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปและก็ให้อาตมายึดถือว่านี่เป็นพระพุทธเจ้า อาตมาไม่ยุดนะ่ะแต่ถ้าบอกว่านี่เป็นรูปปั้นรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าจะยกมือไหว้บ้างไหว้ได้เพื่อเป็นตัวอย่างกับคนอื่นที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทนนะนรูปแทนหรือรูปถ่ายอะไรก็ตามแต่ก็พอไหว้ได้แต่ว่าจะให้อาตมาไปเคารพกราบไหว้บูชาอุ้ยไว้เหนือเสียนเหนือเกล้าใครมาขโมยไปก็ต้องร้องไห้ที่หมู่บง ไม่มีวันสัละและอาตมาก็ไม่ได้ใช้พุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปเดียวนี้กำลังกลายให้กลายเป็นอาวุธทำลายศาสนาอย่างสำคัญที่สุดและกำลังรุนแรงและรวดเร็วที่สุดศาสนาจะเสี่งเพราะพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้กำลังจำลองรูปเล็กๆปั้นขายกันเป็นศาสนาพาณิชย์มองเมากันเยอะมากมาย ขอให้ทุกคนเลิกเถอะปัญญาชนเอ๋ยอย่ามอมเมาเลยพระพุทธเจา้าไม่เคยแพร่สิ่งเหล่านี้และไม่จริงด้วยถ้าพระพุทธรูปหรือพ ร, พระเครื่องถ้าจะเอาเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แค่ว่าเป็นตัวแทนงพระพุทธเจา้าแล้วเราจะระลึกถึงคุณกตะธรรมของท่านเพื่อปฏิบัติตามอย่างท่านแล้วก็เอาไม่ว่าแต่ถ้าจะเอาพระพุทธรูปหรือพระเครื่องมาใช้แบบหรือว่าเหนียวมีเมตตามหานิยม แบบนี้อ น, นาระยะชนเป็นพวกที่งมงายพราะพุทธเจ้าจะไม่สอนในสิ่งที่เป็นเครื่องยุแย่ให้ที่โกรธที่ก่อดทะเลาะวิวาทถ้ามีพระเหนียวกันเดินไปใครมาเฮงไม่ได้แล้วแบบนี้ก่อดทะเลาะวิวาทเรื่อยอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ถ้าอันนี้เป็นเชื่อในการก่อดทะเลาะวิวาทอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่พาทำหรือมีพระเมตตาใส่กอดออกประตูบ้านนะสาธ วันนี้ลายนี้พันสองต้องได้พะสาตุที่โลบตั้งแต่ประตูบ้านแล้วแบบนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ทำเลยพระเครื่องเมตตามหานิยมช่วยลูก้วยนอะเแน่มันจะไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องหรอกท่านแน่จริงพระเครื่องที่แน่จริงนะวันนี้500หารอยจะทงถ้าให้นะปิดประตูใส่กรอนเลยนี่ถึงเมตตามหานิยมจริงอ่าแบบนี้จึงจะจริง ถ้าการเหนียวได้จริงแล้วนะไอโจรทั้งหลายแหละทั้งห้าร้อยมันไม่ตายเพราะพระเหิียวที่กันได้นี่หรอกมันมีทุกองมันมีทุกค น, ม, น, ม, กคนมีพระภูเนียแต่ก็ตายทุกคนโจรทั้งหลายแหละเอาแต่เรื่องนี้ไม่พูดอีกต่างหาเมื่อถึงคราจะพูดถึงเรื่องศาสนาพา น, นิชอาตมาไม่มีแม้แต่ที่อาอตมาพักผ่านหรือว่าที่เป็นอารามอาตมาก็าไม่แด อาพรพุทธรูปไปไว้ที่แต่ธรมามีพระพุทธรูปหรือม่นมีพระพร ะ, พระพัฒพุทธเจ้าอยู่ในใจท่านคิดว่าถ้าคนในโลกนี้ขาดความรักโลกนี้จะเป็นอย่างไรสบมถ้าคนขาดความรักโลกนี้ขาดความรักก็ยอดเลยที่ถ้าเป็นมิติที่เก้าที่สิบหรือแต่แต่ที่แปดก็ยังดี สบายเลยไม่มีความรักสบายเลยโลกนี้ตระขาดความรักดีมีแต่ความรู้ยิ่งดีใหญ่นะแล้วก็ขอกล่าวเป็นคำสุดท้ายเมื่อในที่สุดนี้พวกคุณฟังคํากล่าวต่างๆที่อาตมาได้พูดนี้เอาไปไตรตรองเชื่ออาตมาทีเดียวเลยทีเดียวท่านเรียกว่างงง่ายเพราะว่าคนไหนพูดแล้วเราไม่ไตรตรองเชื่อทันทีนั้นงมงายมากศา ส, สนาพุทธให้เกียรติแก่คนทุกคนให้วิเคราะห์ ให้ไตรตรองใตรครวนเห็นดีแล้วอย่าช้าลงมือทําสัตว์แต่ว่ารู้โดยไม่ลงมือทํานั้นยังไม่เป็นผลในโลกผู้ที่จะทําให้มันเป็นผลต้องมีทั้งรู้และทําได้สําเร็จตามนั้นด้วยนัดคิดนั้นมีท่วมโลกแต่นัดทำนั้นหาได้น้อยนักกว่านั้นอ่าก็จบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้